พรอาจารย์ครับกล่าวนมรสกการครับผมท่านรอนพอนคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับพรอาจารย์ทัดขันแข็งแรงดีนะครับก็ยังท่งอยู่ยัง <c oughs> ครับอาจารย์วันนี้เดินวิตราบาดคนเยอะไหมครับผมก็สี่ร้อยกว่าสี 19, <อ>่ร้อยเก้าสี่รอยเก็ถือว่าเยอะของวั<ร>นนี้พอกับเมื่อวานเมื่อวานก็สี่ร้อยกว่าเหมือนกัน ครับผมมันพร่ามัว น, นี่วันพร่ด้วยอ๋อครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่88แล้ครับวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อธรรมว่าใจอยู่ที่ปัจจุบันกําจัดทุกได้นะครับผมก็เลยขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเ อ, อเราจะทําอย่างไรเพื่อให้ใจอยู่ในปัจจุบันได้และถ้าใจอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยสภาวะของใจตอนนั้นเป็นลักษณะอย่างไรครับอาจารย์ครับกลับขอความเมตตาครับผม ใจอยู่ในปัจจุบันก็คือใจรวมเข้าสู่ความสมบงบเนี่เข้าสู่สมาธิ่อใจสบงบแน่งใจไม่คิดผุ่มแตนใจก็ไม่เคลื่อนไปอดีตหรือไปอนาคตใจก็จะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ทำไมการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นเป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพื่อกำจัดความทุกข์ต่อไป เอาทุกมันเก no. ิดในปัจจุบันมันไม่เกิดในอดีตมันไม่ได้เกิดในอนาคตความจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างนั้นเห็นตอนนี้เราคุยกันนี้มันก็เป็นปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตมันเป็นปัจจุบันแต่มันเป็นปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีการเคลื่อนไปเรื่อยๆคทาพูดเราในีพูดเสร็จมันก็กลายเป็นอดีตไปครับ มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีทั้งสุขและทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจนี่นใะจคิดไปทางกิเลสก็เกิดทุกข์ขึ้นมาใจาคิดไปทางธรรมก็ดับความทุกข์ลงไปมันเกิดดับในขณะในปัจจุบันแต่จิตของคนที่ไม่เป็นสมาธินี้มันมันจะไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน มันจะไหลไปตามอารมณ์ของมอดีอารมณ์ของอน า, าคตบางทีนั่งคิดถึงอดีตก็ฝันคิดถึงความสุขความอะไรต่างๆไปพลินไปกับอารมณ์นั้นโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนั้นเรียกว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสติเถ้าไม่มีสติใจมันก็ลอยๆไปตามกระแสของอารมณ์ที่เข้ามาที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตบาทีจิตก็ปรุงแต่งอดีตก็มีทั้งหวานมีทั้งขม บางทีก็คิดถึงอนาคตก็มีทั้งหน้าวิตกหน้าหวาดกลัวแรือบางทีก็มีอนาคตที่สดสดใสรออยู่ข้างหน้าแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะคิดกันคนที่จะมีแฟนคนที่จะแต่งงานมองอนาคตก็มีแต่ความสดใสคนที่คิดถึงความเจ็บไข้ความตายก็มีแต่ความเศร้าหมองมันก็เกิดจากความคิด อใจไม่ได้อยู่ในปัจจุบันมันไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตแล้วพยายามจะไปแค่มันไปแก้ที่อดีตอ น, นาคตมันแก้ไม่ได้เพราะมันทอนเหตุของความทุกข์มันเกิดในในปัจจุบันแต่เมือนกลับที่คราวที่แล้วที่เราพูดกันว่าทุกข์มันเกิดที่ที่ใจแล้วเกิดในปัจจุบันแต่ใจเราไม่อยู่ในปัจจุบันเไงใจมันจะไปอดีตมากไป อ, อนาคตมาก ไปที่นั่นแล้ที่นี่บ้างไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวเช่นทําอะไรรับประทานอาหารก็ตักข้าวเข้าปากก็มีสติตอนตักข้าวเข้าปากพอเริ่มเคี้ยวเราไปแล้วคิดเแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวก็กลับมาตักข้าวเข้าปากอีกครั้งแล้วเราก็เคี้ยวเกินไม่ได้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่างต่อเ น, นื่องเลยในการฝึกสติ้็เนี่ยฝึกให้ใจ อยู่กับการกระทำการเคลื่อนไหวต่างๆร่างกายอย่างต่อเนื้องก็เท่ากับเริงใจให้อยู่ในปัจจุบันเพราะร่างกายนี้เป็นของที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เราทำอะไรกับร่างกายนี้ก็เท่ากับเราอยู่ในปัจจุบันเราทำร่วมกับร่างกายร่างกายรับประทานแล้วก็รับประทานไปกับร่างกายไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตนี่คือการฝึกสติ โดยการใช้ร่างกายนี้เป็นเป็นเหมือนสมอที่จะดึงเรือแม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำํำสังเกตแม่เรือที่เขาจอดนี่เขาต้องทอดสม อ, อกันครับพอทอดสมอแล้วกระแสน้ําก็ไม่สามารถพัดเรือให้ลอยไปตามกระแสน้ําได้ใจเราก็เหมือนกันใจเราถ้าไม่มีสติมันก็จะลอยไปตามกระแสของอารมณ์ ไปไปอดีตัง้งไปอนาคตบ้างไปที่นั่นบ้างไปที่นี่บ้างแต่ไม่อยู่ในปัจจุบันไม่อยู่ที่นี่อยู่นี้ครับาต้องฝึกสติในการบังคับให้ใจพยายามให้อยู่กับอยู่กับน่างกายแล้วก็พยายามระรับความคิดปรุงแต่นนตงนะครับเพราะความคิดปรุงแต่งนี่เป็นตัวสร้างกระแสอารมณ์ให้เกิดขึ้นวันึกถึงอดีตแล้วก็กระแสอารมณ์อดีตไหลมาล คนคิดเทียนนาคุ้กระแสของอาะอารมณ์ว่งนาคคุ้ก้าวไหมาเราถ้าไม่มีสติกเ็เพลินไปกับอารมณ์นั้น <Okay. S 1> ทางทีทำอะไรอยู่กพ็พังเพลอจำไม่ได้ว่าให้ทำอะไรไปแล้วพยียามก็มีเนี่แหละเพราะการขาดสติขาดสมองที่จะดึงจิตไว้ให้อยู่ในปัจจุบันไม่หไหลไปตามกระแสการฝึกสติก็เป็นเหมือนการการท่อสมอง ถ้าท่าสมองถ้าจิตก่ติดอยู่กับฟุตโตก่อติดอยู่กับลมหายใจเขามันก็มันก็ไม่ไหลไปทางกระแสเพราะมันมันไม่ได้คิดไงเพราะมันไม่คิดมันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ผลิตกระแสอารมณ์ต่างๆขึ้นมาให้ลอยไปด้วยเนี่แหลคือหลักของการปฏิบัติเรื้องตอนนี้ต้องหยุดจิตไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ตั้งมัน่นเรียว่าให้ตั้งมัน่นในความสงบ ให้อยู่ในสมาธิเพราะจิตสงบจิตกระเน่งไม่เคลือ่อนไหวไม่มีกระแสเข้ามาเดีกเขออา้านาคตเข้ามาเกี่ยวข้อ ง, อองจิตก็อยู่ในปัจจุบันถ้าฝึกบ่อยๆเข้าสมาธิบ่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นหลักไปมันเป็นธรรมเป็นธรรมชาติไปไม่ร้อยไม่ร้อยไปตามอะไรต่างๆถึงแม้จะมีความคิดก็มีสติรู้อยู่กับความคิด คิดเสร็จก็หยุดมันไม่ไหลไม่มีรับผงกตันไป ม, มีอารมณ์ไปกับสิ่งที่คิดสิ่งนี้ที่ก็จะคิดเป็นนั่งเป็นเหตุเป็นผลเอากลับไป น, นั่งอารมณ์ต่งตางๆพระอาจารย์ครับแ ล, แล้วอย่างในการใช้ชิดประจําวันของคนอ ย, งอย่างผมเองก็เป็นครับอาจารย์ก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวอดีตก็มานะคตก็มาอย่างนี้พอเรารู้ตัวแล้วเราก็เราก็จงเดียวไล่ตามมันไปเลยแล้วก็หยุด อย่าไปตามนะั่นเราก็หยุดใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วเราเสร็จเราจะเริ่มไหลไปกันคิดนะถึงเหตุการณ์วันนั้นวันนี้แล้วก็ปูแต่งนะระลึกยาวไปวนะ่าอะไรขึ้นทําอะไรเกิดบ้างเราก็อย่าให้มันไหลไปเราก็ใช้สรจถ้ามีสติรู้ว่าเราเริ่มไปอดีตแล้ว เ, เริ่มไปอนาคตแลก็ใช้พุโทโธพุโทโธ ห, หยุดมันถ้าสติเรายังไม่มีกํำลังพอที่จะดู้เนื้อเยือมันได้เราก็ต้องสร้าง สร้างสติให้มีกำลังมากขึ้ด้ยใช้กาใช้บริกรรมวัตถุวัตถุไปหรืออะไรก็ได้ที่เราใช้เป็นหลักยึดของจิตใจมันสอนสอนแต้แค่ใช้อาการ32 <Okay. S 1> ได้หัวใจจะเริ่มลอยไปที่อหนึ่งแ้วเดี๋ยมันกลับมาที่ร่างกายเนี่ยอาการ32ก็คือร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยมีอาการอย่างนี้แหละมีผมมีขนมีเล็บมีฟัน อันนี้ก็เป็นการทอดสมองไม่ให้ใจลอยไปกับกระแสอารมณ์ต่างๆอดีตอนาคตสุกทุกข์กดีชัว่วหรืออะไรต่างๆนั่น น, าน่ามากมายที่มันชอบดึงใจเราให้ไปไปวุ่นวายด้วยรครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นอนดีตที่เรานึกเป็นประสบการณ์หรืออนาคตที่เราวางแผนการเพื่อชีวิตล่ะครับอาจารย์ ถ้ า, ามีสติมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นอนารมณ oh. ์นะถ้าเรามีสติเราคิดด้วยการมีสติคิดว่าเราวางแผนว่าปีที่แล้วเร า, เราผิดพลาดตรงไหนปีนี้เราจะน้อปรับปรปุงตรงไหนอันนี้ก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่ว่าเป็นการ oh. เป็นเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยเหตุ oh. ได้ผลไม่ได้ปรุงแต่งไปด้วยความเพ้อฝันกอคิดถึงอดีตเคยไปเที่ยวที่นัานแล้วมา อยากจกลับไปเที่ยวอีกมีความสุขกับสิ่งนั่นสิ่งนี้อะไรอย่นั้เรียกว่าเป็นเป็นอารมณ์นะครับอถ้าเป็นความคิดที่ไม่เป็นอารมณ์เป็นที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นการวิเคราะห์พิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายของเราเมื่อเกิดมาก็เป็นท้าแล้วแล้วอยเจริาตอบต่อเปนมาอันนี้ไม่ไม่เป็นอารมณ์ทําเป็นปัญญามันเป็นการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลตามหลักความเป็นจริง ครับผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์เพราะว่าก็มีคนหลายคนก็ถามก่อนเข้ารายการว่าเออแล้วเขาจะต้องวางแผนในอนาคตถ้าจะให้จิตเขาอยู่ในปัจจุบันเขาจะทําอย่างไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ก็บางคนก่อนวันจะคิตย์ก็บอกให้ทําใจให้ว่างก่อนให้เป็นปัจจุบันก่อนให้มีสติแล้วก็ทีนี้ก็จะวางแผนอะไรก็ว่างแผอันนี้เป็นเรื่องของมันมันไม่ได้เป็นเรื่องของอารมณ์มันก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นการ การออกจากปัจจุบันแล้วก็ยังอยู่ในปัจจุบันความคิดที่ระวางแผนก็เป็นปัจจุบันครับผมได้เข้าใจกระจ่างมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ครับก็ hmm. ผมจะน้อมนําไปปฏิบั ต, ต, ติต่อไปครับอาจารย์ครับ <Tolkien. S 2> จะขอโอกาสโอกาสถามจากเพื่อนบ้างนะครับคุณสิริการครับใจเป็นทุกทุกเรื่องที่ไม่ได้ดังใจถึงแม้นจะกําหนดพุดโธลมหายใจเข้าออกทําอย่างไรให้จัดการกับใจได้คะ ก็อยากที่ว่านี่เราต้องรับความอยากให้ได้ที่เราทุกเพราะเราอยากพอไม่ได้ดังใจอยากเราก็ทุกเราก็ต้องสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากมันไม่แน่นอนอันนี้จางอนันตาเราควบคุมบังคับไม่ได้เช่นเงินเดือนรายได้เราจะไปตั้งเป้ากันว่าเดือนนี้จะเอาแค่นั้นแนีน้มันตั้งได้แต่มันจะได้หรือเปล่ามันไม่แน่นอนพอไม่ได้เราก็ทุกใจไปครับ บางเรื่องเรารู้เราเลยไม่กล้าตั้งใจกัเพราะเรารู้ว่าเดือนนี้จะให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นท่านนั้นท่านนีน้ร่วมเป็นไปไม่ได้เราก็เลยไม่กล้าตั้งแต่บางเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะได้เราก็เลยไปตั้งพอเราตั้งแล้วมันไม่ได้เราก็เลยทุกใจครูอาจารย์ทุ่งสอนให้เราหัดฝึกวิสัยสันโดษหัดยินดีตามีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้น้อยก็โอเคได้มากก็โอเค ได้เทาเดิมก็โอเคให้คิดอย่างนี้แล้วใจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าไปอยากไปตั้งเป้าไว้ต้องได้ทางนั้นทานี้ต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นไปตามที่เราตั้งตั้งใจไว้ล้วก็เสียใจทุกข์ขึ้นมาอย่าไปอยากอย่าไปอย่าไปกาหนดในสิ่งของของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ก็คือทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรส บุคคลสัตว์บุคคลอั้งหลายนี่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ตลอดเวลามาเวลาก็ควบคุมได้บังคับก็ได้ถ้าช่วงที่ควบคุมได้บังคับได้ก็สบายใจแต่พอไปเจอช่วงที่ควบคุมเขาไม่ได้เขาเริ่มรวนเขาเริ่มไม่รวมรวมรวมสามัคคีกับเราแล้วทีนี้ก็เริ่มเกิดอาการทุกข์ใจขึ้นมานั่นเพราะว่าเราไม่ได้มองเห้เขาว่าก็เป็นอนัตตาเขาเป็นเหมือนธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นฝนตกแดดออกเนี่ยเราไปควบคุมบังครับก็ไม่ได้พระเจ้าสอนให้เรามองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาเป็นกองที่มันมันมีเหตุมีปัจจัยให้มันมาให้มันไปไม่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํานกหนดความต้องการของเราเสมอไปบางครั้งไม่เวลาเราก้อกำหนดได้แต่บางครั้งม่นกาหนดไม่ได้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ทําใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดมายัางไงก็ได้เขาจะชมเราก็ได้เขาจะด่าเราก็ได้เขาจะเฉยเมยกับเราก็ได้เขาจะดูถูกดูแคล น, นเราก็ได้เราไปวาควบคุมบังคับก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่น่าถ้าเราทำใจอย่างนี้อย่างนี้ได้ใครก็จะทําอะไรกับเรามราจะไม่เดือดร้อนเนี่ยจะไม่ทุกข์กับอะไร การรู้สึกอย่างนี้ได้นี่ก็คือเป็นปัญญาเลยนะครับ้บเป็นปัญญาแต่มีรู้รู้สึกนี้แต่ทาไม่ได้เก็ไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาที่ทําตามที่ปัญญาสอนเป็นสุตตะเป็นจินตาแต่ไม่ได้เป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าขาดอุเบกขายังนึไม่ฝึกสติ ก, กําหนดพุดโทโธพุโทโธแล้วนั่งสมาธิให้จิตรัวไม่ได้จิตเป็นสมาธิให้ได้ถึงจะได้ ถึงจะได้ไประโยชน์จากการฝึกสมาธิจะกำลังพูดเท่าคำของคำนั้นมันไม่ได้หรอกมันไม่มีกำลังไม่พอต้องพยายามฝึกบ่อยๆฝึกกัน น, นานจะกะน่าทำให้ใจนี้หยุดตอบโต้หยุดหยุดความอยากให้ได้ถ้าหยุดความอยากได้ทีนี้ก็จะไม่ทูกกลับะไรคุณบัวครับ เวลานั่งสมาธิมักจะเกลื่อนน้ำลายแต่ทําใจเอาว่าอยู่ที่ใจเพื่อเป็นกําลังใจตนเองได้ไหมคะอะไรอยู่ที่ใจหมายถึงคําคิดใช่ไหมความคิดเรื่องเรื่องน้าลายนะก็อย่าไปคิดถึงมันใจมันน้ำลายอยู่ที่ร่างกายเราอย่าไปสนใจมันจะมันจะไหลออกมาหรือไม่ไหลออกมาก็ไม่เป็นไรทํำไมเวลาเราคุยกันเราทำอะไรกันไม่ไม่เห็นว่ามันจะไหลออกมาจะเห็นต้องเกลื่อน้ําลายใช เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเวลาเรานั่งสมาธิแล้วถ้าเราดูไม่ดูลมเพียงอย่างเดียวจะมีความรู้สึกอะไรอย่างอื่นเข้ามาไม่ต้องไปตอบสนองความรู้สึ ก, กนั้นนั่นถ้าเราไม่ไปสนใจเขาเดี๋ยวเขาก็าหายไปเองคุณัญญาณีครับเรียนถาพระอาจารย์ค่ะหากาเผชิญความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับทันหันและยังไม่ทันตั้งตัวจะต้องใช้ธรรมะข้อใดในการจัดการให้เราทุกน้อยที่สุดเจ้าคะ่ะ ก็ทําใจให้นิ่งให้ได้ทําใจให้เฉยให้ได้ด้วยวิธีของสมาธิคือสติก็ได้พุโทโธพุโทโธไปหรือว่าใช้วิธีของปัญญาว่านี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องรับนั่นหนีไม่พ้นเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเราห้ามมันไม่ได้เราขับไล่มันไปไม่ได้วิธีที่จะทําทให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็คือยินดีต้อนรับยินดี Welcome to my world ยินดี เราเธอมานานแล้ววันนี้เธอมาถึงแล้วยินดีต้อนรับยินดียินดีต้อนรับความเจ็บป่วยของร่างกายถ้าเรายินดีเราก็จะไม่ทุกข์กัมัถ้าเราไม่ยินดีเราอยากใช้ใมันหายแล้วก็จะทุกขึ้นมาทันทีง่ายๆพยายามยินดีสุกความยินดีฝึกความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยินดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยินดี ยินดีกับสภาวะทำที่เปลี่ยนแปลเปลี่ยนมาตลอดเวลาเนี่แต่เราจะทําใจได้ไหยใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องมาใช้สติเพื่อทําใจให้มันนิ่งให้มันมีอุเบกขาบริกรรพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอย่าไปอยากให้มันหายให้ตัวเนี้ตัวที่ทําให้เราเครียดกันทุกกันว่าอยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่เป็น ม, มันเป็นแล้วมันก็ทุกข์มันก็เคียดขึ้นมาเราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้ด้วยการใช้คำบริกรรมพูดโถพูดโถไปด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นสิ่ที่เราต้องอยู่มันไม่มีทางเลือกถ้าไม่อยากจะทุกข์คุณแคทครับแนวทางของคารวาที่ตั้งใจจะเป็นโสดาบันต้องทำอย่างไรบ้างคะก็เหมือนกันะก็ต้องมีการฝึกสติ เพื่อให้จิตสมอให้เป็นอเบขาให้ได้แล้วจิตนิวเบคาแล้วก็มาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราเป็นคนเหมือนคนดูก็เป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้หมอดูแลคนไข้แต่หมอจะไม่เป็นทุกข์กับคนไข้ใช่ไหคนไข้จะเจ็บจะป่วยไงหมอก็รับรู้เฉย ป้าเจ็บก็จะให้ยาอะไรอย่างนี้ไปสาหรับเราก็เหมือนกันเราต้องเราเป็นเหมือนหมอดูแลคนไข้คือร่างกายถ้าเป็นอะไรต้องกินยาก็กินไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาไปอย่าไปทุกข์กับร่างกายถ้าไม่มีอุเบกขาก็วางใจไม่ได้ ก็อยากอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันดีขึ้นพอมันไม่ดีขึ้ น, นก็ยิ่งทําให้เครียดให้ทุกข์มากขึ้นไปนั้นต้องพยายามสอนใจปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็จะไม่ถูกกับร่างกายเราก็จะเป็นโสดาบันได้ คุณพาวินีครับถ้าจเจริญสติไม่เป็นทําสมาธิไม่ได้สวดมนต์ได้ไหมคะได้ก่ะสวดมนต์ก็เป็นวิธีขั้นตอนของการเจริญสตินี่เพราเวลาเราสวดมนต์เราก็ต้องจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ก็มีสติอยู่กับการสวดมนต์แล้วก็ทําให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่งางๆได้ คุณนภพรครับบอกว่าลูกดื้ออายุมากแล้วไม่ทำงานทำให้แม่เดือดร้อนหลายครั้งต้องแก้อย่างไรครับก็อย่าให้เงินเขาเลยนี่คนเข้ามากราบอาจารย์เยอะมากครับใครครับเรื่องลูกมาผิดเนี่ยเอาใจลูกเราอยากจะได้อะไรก็หามาให้ลูกอะไรไม่เท่าไปทำงาน อมีคนคอยๆให้อยู่เนิ่นๆบางคนเลนี้ยงลูกจกนอายุอายุสี่สิบห้าสิบเปียงของเลิพ่อแม่ใช้อยู่ทั้วันไม่มีงานการทำของตัวเองเพอพ่อแม่มีฐานะพ่อแม่ก็เลยอ้อาเมันไปคุณมาริสาครับขอความเมตตาพระอาจารย์เรื่องเมื่อถึงวันไหว้ของเทศกาลต่างๆที่ต้องใช้ของไหว้เจ้าเยอะทำให้เป็นวันเทศกาลสังหารมูสัต ไม่อยากไหว้แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรวางใจอย่างไรคะเพราะไหว้แล้วความทุกข์ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เมตตาด้วยค่ะอาเราไหว้เพราะเรานะความทุกข์แล้วเมื่อไหว้แล้วมันยความทุกข์ก็ยังอยู่กับเราก็ไหว้ไปทําไมกาใช้เหตุผลเนี่ยตัดสินใจอยากไม่ไหว้ไม่คนที่เขาไม่ไหว้เขาจะเดือดร้อนเลยนีละจะเป็นเพราะว่าเรากลัวทําไม่ได้ไหว้เราจะกลัวจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา เพราะมันเป็นความเชื่อที่ฝังใจเราอยู่พาการว่านนี้จะเป็นมงคลจะทำให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นพอเราเกิดไม่ไว่ายขึ้นมานี่เราก็เกิดความกลัขึ้นมาแต่ความจริงแล้วเหตุการณ์มันจะเกิดจะว่าไม่ไว่ว้มันก็เกิดเนย <Okay. S 1> เรื่องนาวเหล่านี้ก็มันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นมันไม่ได้เป็นเหตุเ ป, เ, ป เ, หตเป็นผล วถ้าไหว้แล้วจะมีแต่เรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นเรื่องราวที่ไม่ดียังไม่เกิดขึ้นอะไรมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เกิดผลอย่างนั้นไหว้ไม่ไหว้มันก็เท่ากันเหมันก็เหมือนกันคุณสุชาครับเขาใน ญ, ญาตถามว่าถ้ามีคู่ที่สร้างปัญหาให้เราบ่อยจะทําบุญอย่างไรให้เขาไปจากชีวิตเราเวลีซูนครับ <c oughs> ก็ทําให้เราน่าเกลียดหน้ากลัวเลยอย่าบน้ําอย่าแต่งหน้าแต่งตาอย่าแต่งเมื่อแต่งตัวให้ร่างกายมันกลี่นเหม็นทําเป็นอะเป็นที่มันไม่น่ารักแล้วก็อย่าให้เงินให้ทองเขาใช้ให้อย่าให้เขาได้รับประโยชน์จากเราถ้าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากเราเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราที่เขายังอยู่กับเราอยู่เพราะเราให้ประโยชน์กับเขาได้ เราก็ต้องสังเกตได้ว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากเราเราต้องหาวิธีตัดประโยชน์นั้นไม่ให้เขาได้จากเราไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์เราจะเขาก็ทิ้งเราเพราะเราเป็นเพื่อนกินไม่ใช่เป็นเพื่อนแทนครับคุณมนฑนาครับความชอบโชว์ให้คนอื่นรับรู้หรือขี้อวดมันเกิดจากกิเลสแบบไหนหรือต้นตอจากไหนคะเช่นกินอะไรต้องโพสต์ไปไหนต้องโพสต์ทําบ่อยๆเกิดโทษไหมคะฝึกอะไรเพื่อติด เพื่อตัดมันคะ่ะอ๋อมันก็จากการมีอัตตาวตนเนี่ยการบอกว่าเรามีตัวตวนต้นเรามีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอมันเป็นความหลงนั้นเองอัตตาตัวตวนมันเป็นเรื่องของความหลงแล้วก็แล้วก็เป็นความสุขปลอมเวลาโพสไปรับก็รู้สึกโอ้ยดีใจที่เราได้อวดคนนั้นคนนี้ พอเราได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันก็เป็นความสุขแบบแบบชั่วคราวแบบเยอะเดียวเดี๋ย ว, ย ว, ยวพอวันไหนไม่ได้โพสก็รู้สึกเหงาแล้วรู้สึกเงียบแล้วโพสไปแลามีคนด่ากลับมายิ่งทําให้เสียใจเพราะเขาไม่ได้สาธุอนุโมทนากับเรื่องที่เราโพสเขากลับเข้ามาเขียนด่าเราว่าเนาะอันนี้มันก็เป็นดับสองคมมันมันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ วีธีนี้ดูนก็คืออย่าอย่าอย่าเป็นคนโอ้อวดเพราะของสิ่งที่มันเราโอ้โดนี้มันเป็นของไม่มีสาระไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับเรามาทําความดีกันดีกว่าทำความดีเป็นคนดีแล้วก็ไม่ต้องไปโอ้อวดใครการมีความดีในตัวเรานี่มันทําให้เรามีความสุขใจของเราไม่ยังเป็นที่จะไปโอ้ดใครบอกใครว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ คุณปลายฟ้าครับสีห์ห้าของคารวาสใจคิดกระทําไม่ดีหรือด่าว่าคนอื่นในใจแต่กายและกิริยาวาจาไม่ได้กระทําออกมาแบบนี้ผิดสีหรือไม่ครับถ้ายังไม่ได้ทำทางก า, ทงกายทางวาจานี่ไม่ผิดเสียเพียงแต่มันผิดทา ง, งใจคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปทําผิดเสียต่อไปก็อย่าไปคิวคปดว่ารั่วขึ้นเพดีก็อย่าหยุดคิดมันเสีย เพาะว่าถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวทนไม่ได้ก็จะพูดออกมาจะทำออกมาตอบไปได้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลใดๆคุณปอมเม้ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับคนที่มีเซนต์รับรู้วิ ญ, ญญาณเห็นสิ่งลี้ลับที่คนทั่วไปมองไม่เห็นอะไรเป็นตัวกําหนดแล้วถ้าเราตกอยู่ในสภาวะเหล่านั้นจะรับมือได้อย่างไรครับไม่ให้เป็นทุกข์ อ, อ๋อเรื่องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเป็นความสามารถพิเศษของดวงจิตบางดวงที่มีอภิญญาที่สามารถรูู้สิ่งที่มันลึกลับได้ถึงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่าตาเนี้อแต่รับรู้ได้ด้วยใจบางคนอ่านวารลัจิตของผู้อื่นดูว่าเขากำลังคิดเรื่องอะไรบางคนก็สามารถติดต่อกับผูบ้ผีปีศาจดวงวิญญาตต่งตางๆได้ รางคนก็สามารถรับรกชาติได้นี้เขาเรียกว่าเป็นอภินยาแต่ไม่ได้เกี่ยกับคนส่วนใหญ่ท่านบอกว่าอาจจะมีแค่น้อยละห้าที่จะมีอุปนิสัยใทนทางนี้ถ้ารู้ถ้ามีรู้ ก, ก็รู้ไปเฉยๆถ้าถ้าไม่อยากจะไปหลงไม่อยากไปสนใจมันเพราะว่ามันก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับจิตใจในแนวทางของการกำลัดความทุกข์ได้ ดีไม่ดีมันจะกลายเป็นตัวทําให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นก็นได้เพราะบางทีเราหลงกับอภิญญาของเราแล้วก็อาจจะทําให้เรานี้ไปกล้าทำอะไรที่เราคิดว่าเราเก่งเราไม่กลัวบาปขึ้นมาก็ได้ทําให้เราไปกล้ทาทําบาปขึ้นมาอย่างพระเทวทัตนี่ก็ท่านก็มีอภิญญาท่ <Okay. S 1> ก็คิดว่าท่านเก่งท่านก็เราไม่กลัวบาป ก้าที่จะพยายามรประชนของพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันเพราะโกรธพระพุทธเจ้าที่ปฏิเสธข้อเสนอที่อยากขอรับเป็นผู้ปกครองรงแทนพระพุทธเจ้าอันนี้ระวังคนที่มีอัจญรญิอาจจะหลงตองนไหนว่าคิดไว้ตวอนไหนเก่งๆ แ, แล้วสามารถใช้อัจิญานี้มาตอบสนองความอยากความต้องการของตนได้แต่มันก็ไม่สามารถตอบสนองได้ แล้วก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ยิงต้องระวังถ้ามีความรู้ชนิดนี้ก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปยุ่งคุณมารีรัตครับกลับเป็นถามพระอาจารย์ว่าถ้าให้เงินร่วมซื้ออาหารและของขวัญบ้านเด็กๆได้บุญไหมเจ้าคะคนให้นะได้บุญเด็กก็ได้ของเด็กไม่ได้บุญเด็กได้ของ ได้ความสุขจากการที่เราให้ข้าวของเขาส่วนคนให้ก็ได้ความสุขจากการเสียสละแบ่งปันมีความสุขคนละชนิดความสุขของเด็กนี่เป็นความสุขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจคือของที่ยาติโยมไปให้เขาไปแต่ความสุขของผู้ให้นี่เป็นความสุขทำใจไม่ใช่เป็นความสุขจากจากเวทนาไม่ใช่เป็นสุขกับเวทนาเป็นความสุข TJ สที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปัน บุญคุณธีระครับอยากบวชตอนหลังเกษียณแต่กลัวเป็นภาระให้กับวัดอีกทั้งก็คงไม่สามารถช่วยงานวัดได้มากเท่าที่ควรก็เลยปฏิบัติธรรมที่บ้านแทนครับแต่ใจก็อยากถึงพระนิพพานนะครับในชาตินี้ก็ได้อยากจะบวชก็ได้ถ้าเรามั่นใจถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปบวชได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอายุเพียงอย่างเดียว ส่วนใหที่เขากำหนดอายุเพราะรู้ว่าแก่แล้วมันปฏิบัติไม่ค่อยดีพ้าแก่เนี่ยมักจะค่อยไม่ค่อยปฏิบัติดีเท่าไหร่ก็มีคนเขียนก่อนเรื่องของพระแก่หลายอย่างด้วยนฟังแลไ้ไม่น่าไม่น่าดีดีดเลยผ้าแก่ที่บนผ้าแก่ที่สะสมผ้าแก่ที่เกีย็บอะไรจะมีการเขียนก่อนไว้ผ้าแก่เราดื้อสอนยากอะไรต่างๆเนื่องคนที่มีอายุมากนี่มันมัน มันมีอ่มันมีข้อลบเยอะกับข้อบวกข้อเสียมากกว่าข้อบวกแต่ถ้าบางคนกรณีบางคนกรณีพิเศษเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ดีมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชวบบพืตนดีไม่ขี้เกียจขยันอะไรทำหน้าที่ทอะไรของตนก็ทนบริบูรณ์อันนี้ก็มาตัผู้รับบวช ถ้าเป็นไปบวชกับวัดที่เขาเลือกคนนี่เขาจะไม่บวชให้ทันทีก่อนก็จะให้ไปอยู่กับวัดเป็นผ้าขาวไปก่อนไปอยู่เือเป็นถือศีลแปดแล้วก็อยู่วัดไปแล้วก็ถ้าท่านก็จะพอได้สนิทสนมก็จะรู้นินสัยใจขอว่าเราเป็นคนชนิดหนถ้ารู้ว่าเราเป็นคนดีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องอายุ ก, ก็ไม่เป็นปนัญหาเลยส่วนหญาท่านจะไปบวชกับวัดป่านี่เขาไม่ไม่รับทันทีนะ เขาบอให้อยู่เป็นผ้าขาวไว้ก่อนเมื่อศึกษายของปูชานี้พระต่างประเทศรู้สึกต้องอยู่เป็นปีหนึ่งถึงจะบวชได้ก่อนจะมาบวชเป็พระได้ต้องอยู่เป็นผ้าขาวหนึ่งปีก่อนวิธีการรูนะ้วัานิสัยเป็นยังไงครับไม่ไม่สําคัญเรื่องอายุอายุแก่ร ห, หรือหนุ่มไม่สําคัญดูว่าทําหน้าที่ของตนได้หรือเปล่าไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นได้หรือเปล่าอันนี้ตำคั ก็พระอาจารย์ของผมนะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์หมอที่กเกษียณแล้วไปบวชเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับท่านหม อ, อ, อ, อ, อตอนนี้ท่านไปบวชวัดที่เขาวัดที่เขาไม่ได้กําหนดใั้น่านไงแต่วันที่เขาอาศัยท้ารู้จักกันเชื่อใจ ก, กันแล้วก็ไม่ต้องดูนิสัยก็ได้ครืครอเขาอาจจะดูคุณสมบัติว่าเคยเป็นแพทย์มาเป็นไรคนที่มีศักยาภาพที่น่าเชื่อถือได้ก็เข้าอาจจะบวชให้ไลย แต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่รู้จักหรือไม่ไว้ใจบางทีเขาไม่รับบวชเฉยๆไปเลยก็มีัไม่แน่แต่ละวัดเขาก็มีนโยบายเลือกคนไม่เหมือนกันจากที่เมื่อกี้พูดเนี่ยพูดจากวัดป่าทั่วๆไปใช้หลักนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่านิสัยใจกอเป็ไงก็ให้หยู่เป็นร่างขาวไปก่อนครับที่ผก็เมื่อก่อนคนที่จะมาอยู่กับเราที่วัดใหญ่นี่ก็เหมือนกันนะว่าอยู่เป็นร่างขาวไว้ก่อน แล้วก็ค่อยดูแล้วพอกจะเห็นว่าโอเคพราอมที่ให้เขาบวชได้ก็ไปหาที่บวชเพราะที่นี่เขาไม่นับบวชคนต่างประเทศไปฝากวัดนู้นวัดนี้ไปบวชที่วัดนู้นวัดนี้ตอนนั้นี้เขาห้ามไม่ให้ทําอย่างนี้อีกเลยปิดประตูบวชแล้วนกชาวต่างประเทศนำบวชอยู่ที่วัดนี้ไม่ได้เขาปิดประตูบวชไม่ให้ไปบวชวัดเ่ยถ้าจะบวชวัดนี้ก็ต้องผ่านเขาผ่านผู้บวช ก็ต้องทําตาม ก, กฎกติกาของเขา ก, กฎกติกาของเขาก็ไม่ใช่กติกาของการปฏิบัติกฎกติกาของเขาเป็น ก, กฎกติกาของวดัดบ้านต้องศึกษาต้องเรียนบาลีต้องต้องมองมบวชเช้าเย็นว่พาพระสวดมนต์ทวัดเช้าวัดค่าไม่ไปเล่นวิ่งวี่งบนเขาไม่ได้ครับมันก็เลยทำให้ผู้ที่จะมาบวชอยู่ที่วัดยาอยู่วบนเขานี่ยทำไม่ได้อย่างนี้ ก็ S <S <S ามาได้ครับเพ็นแต่เป็นแบบคาาว่ามาอยู่ในภาคขานี้ก็ไม่มีไม่ไม่ไมเป็นปัญหาเลยคุณมนฑนาครับจริงไม่คาที่มีคนตายคนแบบยังไม่ถึงที่ตายเช่นเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุตายเช่อนอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วจะเป็นสัมภเวสีไปไหนไม่ได้ต้องรอสนบุญแล้วรอเวลาจะถึงเวลาจริงเพราะเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าคนพอตายไปแล้วจิตหรือวิญ ญ, ญาณไปแล้วไม่อยู่แล้วคะ่ะ ได้ไปแล้วไม่กลับมะะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเห็ น, นหได้ว่าบางดวงวิญญาณบางดวงกรณียกเว้นนะี น, นพูดถึงบางทีเขามีความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวงวิญญาณเ้าเลยความผูกพันที่มีกำลังมากกว่ากำลังของมูนของบาป ท, ที่จะดึงเขาไปเขาก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้กับสิ่งที่เ้ายังมีความผูกพันอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้ แต่ถ้าไม่มีความผูกพันกับอะไรนี่ก็ไปเลยก็ในยกกรณีในสมัยพุทธกาลมีภาพรูปหนึ่งท่านตายไปแต่ถ้ามีความผูกพันกับจีวรอท่านมากตั้งหัวของจีวรไม่อยากให้ใครมาแตะก็เลยมากลับมาเกิดเป็นอะไรมันกลายตัวเล น, นี่ยแล้วก็มากอดอยู่กับผ้าเหลืองโคติชาเห็นตัวเลนนี้หอไอันนี้เป็นพระเจ้าของผ้าจีวรอยากใครย่าเพิ่งไปแตะผ้าเลยเนี่ย เพราะโดยทำเนียบของพระเมื่อสมัยก่อนพราพระมันมีน้อยไงถ้าพระตายไปแล้วพระของพระที่ตายไปถ้ายัางใช้ได้ก็มอบให้พระรูปอื่นเอาไปใช้ต่อแล้วพระเาจ้ากลยะบอกว่าอันนี้อย่าเพิ่งเอาไปใช้นะเจ้าขอขายังหวงอยู่ <laughs> แล้วพอตัวเรนนั้งตายนะพระเจ้ากยบอกเาเข้าไปนะหล่ะ <laughs> เขากลับมาอยากจะอยู่กล้จีวอเขาแต่เขาก็ไม่สามารถใช้จีวอ น, นั้นได้เพราะเขาเป็นตัวเลนตัวตัวอะไร ก็เลในที่สุดก็พอตายไปเขาก็เลยไปตามอำนาจบุ น, า น, นบาปต่อไปคุณวรพัฒน์ครับผู้ที่จะรู้และเข้าใจหลักธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าถูกต้องตามความเป็นจรงิงมีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตเป็นอุเบกขาเท่านั้นหรือเปล่าครับก็ต้องมีทั้งปัญญามีครับเข้าใจตามหลักตกะคําสอนของพระเจ้าเช่นหักปริยาสัตเส อะไรทำนองนี้ด้วยก็ต้องมีความเข้าใจมีสมาทิฐในระดับต้นระดับจากการที่สามารถคิดตามได้คิดตามเหตุตาผลที่พระเจ้าส่งแสดงได้เช่นหบวกทุกของเราเกิดจากความอยากของเราการระดับความทุกข์ก็ต้องลกความอยากจะลกความอยากก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราก็จะมีศรัทธามั่นคงกับคําสอนของพระเจ้า ไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่เบิกขาก็ได้เพียงแต่ให้มีความเชื่อในหลักธรรมที่พทธเจ้าทรงสอนเราจะก็อน่อริยสัจ ส, สีซึ่งเป็นแก่นเป็นหัวใจของศาสนาอาจารย์ครับมีคนฝรั่งอยากทราบครับอาจารย์สามีติดขัดอยู่เราฟังจากคอนแลนครับอาจารย์ครับโอเคอาาฟังอยู่ด้วยจากคอนแลน Both m a n a n t n e r and I practice mindfulness, and we talk about it often. But why is it that when we discuss defilements which hurt our partner, we feel more emotional to talk about and accept? Why if some defilements are discussed which did not involve one, it is easier? Do you have suggestions to deal with this in a mindful way? Well, when you talk about something that hurts you, you don't want to talk. see? So the best way is to to to avoid talking, uh, discuss something that will hurt one or the other. Try to talk about something that doesn't uh, hurt one or the other. If you want to maintain a good relationship with that person. Okay. s o so, there is a saying in Thai. Asan c u a n muen, c h a muen c u a n ta. Means to only talk about things that we agree with each other, and try to avoid not talking about things that we disagree. So if we think we we talk about something that hurts, then you know, we, we don't want to talk about that. So try to avoid it. And unless you you have a strong mindfulness and can accept the truth, then even if it hurts, you're willing to to to listen, and that's okay. But if you feel that you cannot accept what you hear, then you should not discuss them right now. You might still w e a k not strong enough to accept the truth yet. So you have to practice more mindfulness and meditation. Try to get to equanimity. Once you get to equanimity, your mind becomes calm and not reacting to anything. Then you can discuss anything. คุณอ้อนครับขอสอบถามค่าหลายครั้งที่นึกถึงอดีตที่เคยไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วรู้สึกมีความสุขอยากไปอีกอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่เพ้อฝันไปตามอารมณ์หรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไหมคะมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าคิดถึงแล้วมันดีอยากจะไปถ้าไปได้ก็ไปอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นอารมณ์เป็นแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเหตุเป็นผลคิดถึงปฏิ ปฏิประสบการณ์ที่ดีที่ให้ความสุขกับเราแล้วเราก็ไปแต่ถ้าคิดแล้วไม่ได้ไปเริ่มอยากจะเริ่มอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ยังงก็เป็นความเพ้อฝันก็อยากไปคิดเมื่อเราคิดแล้วเราไปไม่ได้เราก็หยุดคิดเพราะมันจะทําทให้เราเกิดอารมณ์โมยีบได้แต่ถ้าเราคิดแล้วเราวางแผนไปได้ก็ไปอย่างงี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอารมณ์เป็นเหตุเป็นผล คุณเกาะแก้วครับนั่งสมาธิแล้วตึงๆหน่วงๆที่จมูกเป็นเพราะเราเพ่งมากเกินไปหรือเปล่าครับมันก็อาจจะเป็นเป็นการต่อสู้ของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบให้เราควบคุมมันมันก็เลยสร้างอาการต่างๆขึ้นมามันไม่ได้อยู่ที่การเพ่งน้อยมากรือเพ่งน้อยมันอยู่ที่การต่อต้านของของกิเลสที่มันต้องการที่จะไม่ให้เราไปควบคุมมันบังับ มันก็เลยสร้างอาการเจ็บบ้างปวดบ้างคันบ้างอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราเลิกทำนับ น, นี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราไม่เป็นรารมันจะรู้สึกไงก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เสียหายอะไรแล้วก็กําหนดต่อไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสนใจคำอาการากต่างๆที่ปรากฏขึ้นให้ให้ให้กําหนดด้วยอยู่กับการภาวนาของเรา ถ้าดูลองก็ดูลองไปถ้าพูดโทรก็พูดโธรไปเพีลงอย่างเดียวถ้าเดี๋วอาการต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดไปคุณปริศนาครับทําไมเวลานอนฝันแต่เรื่องในอดีตครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะความฝันนั่นก็ฝันได้ทุกเรื่องถ้าอยากจะฝันแล้วแต่เรามีความผูกพันกับเรื่องไหนมันก็จะไปมันก็จะไปฝันเ็นเรื่องนั้นกัน คุณมณฑนาครับเวลากําหนดพุดโทโธความเร็วความช้าในการกําหนดพุดโทโธมีความสําคัญไหมคะมันควรเร็วหรือช้าคะและบางครั้งลมหายใจเข้าออกมันเข้ามาผสมแก้ไขยังไงครับถ้าเราจะกําหนดพุดโทโธโดยด้วยความเร็วหรือช้าเราไม่ควรจะผูกมันไว้กับลมเพราะถ้าผูกไว้กับลมแล้วเราจะปรับความเร็วช้าไม่ได้เพราะต้องไปตามตามตามความเร็วของลมหายใจเข้าออก็ว่ า, วาพุทหายใจออกก็ว่าโท อันนี้ก็ไปกําหนดในความเร็วช้าไม่ได้ถ้าเราต้องการกําหนดเร็วหรือช้ากว่าลงเราก็อย่าไปอย่าไปผูกไว้กำหนดเอาแต่พูดทัวร์ตามลำพังอย่าเดียวก็ได้บางทีเราง่วงบางทีเราก็กําวกำหนดพูดทัวให้มันเร็วหน่อยเ่าให้มันหายง่วงเนี้ยหรือบางทีเราฟุ้งซ่านเราอาจจะกำหนดให้มันชานา้าหน่อยให้มันจะได้ไม่ไม่ฟุ้งซ่านหรืออาจจะต้องเร็วเพื่อแข่งกับความฟุ้งซ่านอันนี้ก็แล้าาวแต่กลณี อันนี้เราปรับได้ถ้าเราใช้พูดโทตามอย่างเดียวไม่ต้องไปผูกไว้กับลมแล้วเราก็สังเกตดูเวลาเราภาวนานบางครั้งช้าอาจจะดีก็ช้าบางครั้งเร็วก็อาจจะดีก็เร็วก็ปรับได้ตามตามเหตุตามผลคือดูที่ผลว่าอันอย่างไรทําให้เกิดผลดีแล้วก็เอาอย่างนั้นไปในแต่ละช่วงแต่เวลาเวลามันไม่เหมือนกันอีกภาวะจิตเวลาบางทีก็เครียดมากบางทีก็ไม่เครียด เวลาเครียดหน้าแล้วต้องให้มันเร็วหน่อยเพื่อระงับควาเครียดเวลาไม่เครียดมันสบายๆแล้วก็ไม่ต้องมัแล้วก็ไม่ต้องเรงขันเร็วก็ได้ใ้แบบสบายๆครับคุณสัมพันธ์ครับกระผมโดนหัวหน้ากั้นแกล้งจะทําอย่างไรดีครับออก็อย่าไปโกรธเขาให้อภยัยเข้าไปได้ดีที่สุดถือว่ามันเป็นเป็นเรื่องของการใช้นี้ใช้เก่าไปครับ หรือคิดว่าเราเป็นรูกน้องเรามีหน้าที่ให้ใหเขา้าตัดแก้งเราถ้าทีดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์พระอาจารย์สอนเราวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับคนก็คือทําตัวเราให้ต่ําเหมือนแผ่นดินใครอยากจะเหยียบก็เหยียบได้ใครจะบัดซบอุจจาระสายก็แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนทาใจเราให้เป็นเหมือนแผ่นดินนํากับทุกสภาพได้ แล้วเราจะไม่ทุกเขาอยากจะกัดแกลก่อนเขากัดแก้งไปเราอยากจะรังแกก่อนเก็รังแกไปอันนี้เป็นการฝึกจิตให้จิตเรามีความเข้มแข็งแก่ก้าวอย่างที่มีคําพูดว่ามารบอกมีบารมีบอกเกิดนถ้าไม่มีมารมารมาสร้างแล้วก็แล้วก็ออดแอบปกปยบพอมีบะมีมารมาเก่อขวัญเราก็ต้องเข้มแข็งเพื่อรับกับมาร กายเราก็ยังมีบามีมีขันติบามีเกิดขึ้นเห็นบองในแง่ดีว่าในการสร้างขันติบารมีก็แล้วกันอยู่ดีๆอยู่เฉยมันไม่สร้างมันมีขี้เกียจกันต้องมีเหตุให้มากระตุ้นมังบอมีบารมีบอกเกิดทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดเนี่ยที่ให้อยู่แบบทุกข์ยากลำบากก็เพื่อจะได้สร้างปัญญาขึ้นมาสู้กับความทุกข์ถ้าอยู่แบบสุขสบายมันก็ไม่ต้องมา มันต้องมาปฏิบัติมาทําอะไรต้องมาอยู่บนเขาต้องไม่หดข้าวอดอาหารนี้เยไปสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์นะปัญญาก็ต้องเกิดนะสติปัญญาก็ต้องตามมาะถึงจะอยู่ได้เยันขายถือว่าเป็นการสร้างบา ร, รมีก็ถือว่าเขาเป็นผู้มากระตุ้นให้เราสร้างบา ร, รมีเขากัดแกล้งเรานในแล้วเขาเป็นมามาณาปจนดีเราจะได้สร้างขันติบา ร, รมีขึ้นมา คิดว่าเราเป็นปะพีเป็นแผ่นดินให้เขาเหยียบย่ำเรื่องมองเขาว่าเขาเป็นเหมือนดินน้ําลมไฟเหมือนยินฟ้าอากาศที่เราก็กลุมบังคับเขาไม่ได้เราอยู่ใต้ฟ้าฝนจะตกเราก็ต้องยอมรับฝนตกแดดจะออกเราก็ต้องยอมรับเราอยู่ใต้เขาเขาเป็นหัวหน้าเราเราก็ต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทับกับเราถ้าเรารัมได้แล้วเราก็สุบายไม่เหนือยล้าอยู่กับเขาได้ คุณลูบี้ครับพระอาจารย์คะวางแผนชีวิตใช้หลักธรรมะเรื่องอะไรบ้างคะหนูกําลังวางแผนเรื่องเรียนคะ่ะแต่พอวางแผนไปแล้วมีเหตุต้องรมเลิกเลยไม่ได้ทําต่อคะ่ะเพื่อวางแผนว่าเราชีวิตเรื่องนี้เราต้องพึ่งตนเองใช่ไหมการจะพึ่งตนเองได้เราก็ต้องมีวิชาที่มีความรู้งั้นถ้าตอนนี้เรายังไม่มีความรู้เราก็ต้องไปเรียนเรียนรู้เพื่อเราจะได้เอาวิความรู้นี้มา หางานทำได้นการเรียนรู้มันก็มีหลายวิธีบางทีไม่จําเป็นต้องเรียนในโรงเรียนก็ได้เรียนมาหาอะไก็ได้ไปฝึกงานนี่มันก็เป็นการเรียนรู้ไปยในตัวก็ได้เช่นเราไปฝึกงานในร้านเสริมสวยสมมุติเราก็ไปเรียนวิธีเสริมสวยในร้านเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวแล้วเราก็ทํางานไปด้วยต่อไปพอเรามีกําลังแล้วเข้าไปเปิดได้ของเราเองได้อันนี้เป็นเรื่องขั้นต้นคือเรื่องของการอยู่รอด เราต้องมีวิชาชีพมีต้องมีอาชีพเลี้ยงเราส่วนเรื่องของความสุขนี่ก็แล้วแต่เราจะเลือกความสุขทางไหนนะมันก็มีสองทางความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมความสุขทางโลกมันจะเดินไปด้วยความทุกข์ความผิดหวังเช่นถ้าเราอยากจะไปมีครอบครัวมีสามีมีพันธ์อะไรอย่างนี้เราก็จะมีภาระมีอะไรต่างๆแล้วมีความไม่แน่นอนว่าสามีเราเขาจะอยู่กับเราไปแลตลอดหรือไม่ ว่าราการเขาวอาจะเป็นน่องเนื้อเจ็บไายได้ป่วยวิจัยเขาอาจจะนอกใจเปลี่ยนใ จ, ใจอะไรอันนี้ก็เป็นนอกของความสุขทางโลกที่เราจะต้องเจอถ้าเราเลือกไปทางนี้ก็มีความสุขอีกทางนึงก็ทางความสุขทางทางก็คือการไปปฏิบัติธรรมถึงศีลปฏิบัติธรรมความสุขทางใจไปวัดบ้านวันที่เราว่างถ้าไปวัดไม่ง่ายเราก็อยู่บ้านปฏิบัติที่บ้านเราไปจนที่เราไม่ต้องทํางาน ก็มีสองทางก็มีแค่เนี้ยชีวิตของเรามีแมีสองส่วนเนี้ยสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือการเลี้ยงชีพรางการเนี้เราต้องเลี้ยงชีพของเราให้อยู่รอดแล้วส่วนความสุขก็มีสองทางให้เลือกความสุขที่ทางโลกก็ไปมีครอบครัวมีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีอะไรไปเริ่ไปร่ำไปรวยไปทํามากิดแล้วนร่ำรวยแล้วจะไดใช้เงินเที่ยวทเที่ยวซื้อข้าวซื้อของอะไรต่าง อาจะไม่ต้องมีครอบครัวก็ได้อันนี้ก็เป็นทางโลกทางโลกมันก็ไม่แน่นอนรับยุทธศาสตรเสริมสุขมันก็เป็นของที่เสื่อมได้เวลาเสื่อมเวลาขาดทุนเวลาเจ๊งก็อากันกับขาดทุนได้แต่ส่วนทางธรรมมันก็จะเป็นความสุขแบบในใจเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบแต่มันก็จะยากเพราะว่าการที่จะทําใจให้สงบได้ก็ต้องต่อสู้กับค่าศึกษาตัวคือกิเลย ที่จะมาคอยสร้างความทุกอะไรต่างๆให้กับเราเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเรามีความอดทนขันติมีความเพียรพยายามเราก็สามารถฝ่ า, าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ทําใจให้สงบได้พอใจใสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่มั่นคงกว่าความสุขทั้งโลกคุณหลินครับความฝันแต่ก่อนรู้ว่าฝันอะไรคร่ะปัจจุบันไม่รู้แต่แม้แต่ฝันเพราหนู มีสมองมีปัญหาผ่าเสร็จแม้แต่คนมาหาตลอดจําชื่อไม่ได้ค่ะแต่ปัจจุบันอาศัยการปฏิบัติคือผลการปฏิบัติธรรมทาให้เล่นเฟซได้อันนี้หนูคิดถูกไหมคะผลแรงจากแรงธรรมครับก็ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะมีสติพอเรามีสติเราก็จะทำอะไรต่างๆได้ความจํำเราก็จะอยู่ที่ว่าความจําของเราเราจําได้มากไดน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำบางที คุณนันทพัฒน์ครับการกําหนดให้ใจอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นสมถะหรือวิปัสนาคะเป็นสมถะเป็นสมถะกิดเป็นการฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันส่วนวิปัสนาก็คือให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วหนักทั้งนั้นอย่างเสียงนี้พูดเนี่ยพอพูดปั๊บธาตจิตอยู่ในปัจจุบันันจะรู้ว่าเสียงนี้มันมันไม่เที่ยงพอพูดปั๊บมันก็หายไปแล้ว แต่บางทีเราแม่ปล่อยให้มันหายเราดึงมันกลับมามัาคิดอยู่เรื่อยๆเช่นเขาด่าเราเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็ยังคิดถึงคําด่าก็อยู่แต่วานจริงมันหาให้ไปทํางานหน้าคทำด่าเขาก็ด่าเพียงคาเดียวแต่เรามาคิดถึงไม่รู้กี่ร้อยคําไม่ไม่พอด่าเราซ้ําำหม่ไม่รู้กี่ร้อยคำนะฮะเอาเอาคําด่าเราที่เขาด่าเพียงคาเดียวมามาด่าเราซ้ำน้ำซ้ำอีกอยู่แล้วยิ่งยิ่งยิ่งคำว่าฟังมาคิดมายิ่งทุกเปลีย แต่ถ้าเรามีสติมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาอาะไรเกิดขึ้นมาปั้มันก็กลายเป็นอดีตทันทีคุณเก้าเดินต่อไปครับการเรียนถามาอาจารย์เจ้าค่ะสาเหตุที่ทำให้ยานเสื่อมเพราะอะไรเจ้าคะเออมันยานยา น, ยานมันไม่ใช่ที่พูดในพุยหมายถึงชานถ้าชานก็คือความสนมที่มันเสื่อมเพราะว่าสติหมดกาลังมันก็เสื่อม ส่วนญาณเสื่อมนี่าณไม่เสื่อมนะฮะบรรญ า, าแล้วมันจะไม่เสื่อมญาณอย่างรู้เช่นรู้อริยสัจสีนี้พอบรรลุแล้วไม่เสื่อมพี่ว่ามองค์หมายถึงชานมากกว่าหมายถึงความสมงบหรือเปล่าถ้าเป็นญาณ น, นี้มันไม่เสื่อมญาณ น, นักทัศนะนี้การการมีดวงตาเห็นธรรมนี่ก็เป็นญาณอย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ำหลับไปเป็นธรรมดาพวกญาณ น, นี้ไม่เสื่อม ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เป็นความจำเป็นความจริงที่เราสัมผัสรับด้วยด้วยใจคุณพันธิพครับเวลานั่งสมาธิมักจะจามก็ปล่อยให้จามไปใช่ไหมเจ้าคะก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปอย่าไปอะไรมันถ้ามันจามก็ปล่อยมันจามไปอยา่างกระชากไม่เหมือนกับช่างคือความสงบในสมาธิขั้นต่างๆในวันชาก สัญญานี้คือการอยากรู้ความจริงด้วยใจไม่ใช่อยากรู้ด้วยด้วยสัญญาด้วยด้วยการได้ยินได้ฟังอันนี้มันเป็นการอย่างรู้เห็นปรากฏการณที่ปรากฏขึ้นเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเห็นเหตุที่ทําให้ทุกข์เกิดขึ้นในใจคือความอยากเห็นทุกข์ดับไปเพราะเห็นพ่อทำให้ความอยากดับไปได้ด้วยการใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์เท่านั้นเอง อันนี้แหะเป็นสิ่งที่พอมันเห็นแลาวมันจะไม่เลืมไปวันจนวันตายในพระโสดาบันจะไม่มีวันเลยพระอริยสัจสิพระอริยบุคคลทุกระดับนี้พอได้เป็นโสดาบันแล้วสามารถใช้ความจริงอันนี้ปฏิบัติต่อไปเองได้เลยถี่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้คุณแคทครับสามีภรรยาที่แยกห้องนอนการถือว่าได้ถือพระหมจรรย์ไหมคะก็มั ถ้ไม่ได้ร่วมหลับนอนกันก็ถือเป็นพรอาจารย์อย่ากยากยากกันเลือกแยกห้องนอนกันแต่ไปหลับนอนที่อืนมันก็ไม่ได้มันก็ยังไม่ได้เป็นถือเพป่นพรอาจารย์อยู่นี่คือไม่มีการร่วมเพศกันพูดง่ายๆก็แล้วกันเอาอย่างนั้นดีกว่าก็ถือว่าเป็นถือพรอาจารย์อย่างใดจะถือได้นานเท่าไรก็สุดแท้แต่กําลังของใจแต่ละดวมว่าจะสู้กับราค่าตถาถาได้มากน้อยเพียงไร คุณอรมรศัก์ครับถ้าจเจ้าวาดรับกรถิ่นไว้กับโยมรายหนึ่งแต่สองวันก่อนวันกรถินเปลี่ยนไปรับกรถินของโยมอีกรายหนึ่งอย่างนี้ถือว่าอาบัติไหมครับที่ไม่รักษาสัญญาครับก็ไม่ทราบว่ามันผิดศีลมันก็เป็นศีลผิดศีลที่ไม่มีศัจจานี่ไม่ได้พูดความจริงไม่รักษาสัจจา น, นั่นตัดต่างไว้จะทําอย่างไรแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทําก็อยู่ขั้นโกหกก็ได้หรขั้นมูสาก็ได้ คุณปัจจตังครับสรุปคําถามคือประมาณว่าพระเจ้ามีารรรยาญอย่างรู้อนาคตของมนุษย์และสัตว์ได้ถุกพบชาติสรุปว่าอย่างนี้แปลว่ามนุษย์และสัตว์ถูกเขียนชะตาชีวิตมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไรครับรอาจารย์ก็โดยภาพรวมรก็เป็นอย่างานั้นคือถูกถกพฤติกรรมของตัวเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าเราเคยทําอะไรมันก็จะติดนิสยัยทำอย่างนั้นซ้ำแลซ้ำอีกอย่างเรื่อย เช่นถ้าฆ่าเคยฆ่าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งมันก็จะกลับมาฆ่าตัวตายใหม่เรื่อยๆเอ็นทังกะแต่เปลี่ยนได้อนาคตเปลี่ยนได้ถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้อย่างองคุลิมาเนี่ยก็คิดว่าฆ่าคนตายแล้วจะบรรลุถักขั้นสูงแต่พระพุทเจ้าที่บอกว่าต้องไปฆ่ากิเลสถึงจะบรรลุถักขั้นสูงองคุลิมาก็เปลี่ยนเป้าหมายแต่การไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลส อันนี้ก็เลยแทนที่จะไปเกิดในอบายไปรับใช้โทษกรรมที่ทําจากการฆ่าคนก็เลยไปนิพพานแทนอันนี้เปลี่ยนได้แตถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมนี่มันก็จะบอกมันเป็นเหตุเีไงว่าผลจะต้องเป็นยางไรต่อไปนะคนคุณอักษร า, าครับโยไม่ค่อยเข้าใจการปฏิบัติโดยภาวนาพุโทโธการกําหนดแบบพุโทโธเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาใช่หรือไม่เจ้าคะ แต่จากการอ่านประวัติของครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่สิงห์ท่านจะสอนเรื่องสมถะวิธีเป็นหลักทำให้สงสัยเจ้าค่ะเอาพุโทโธนี่เป็นเพียงสมถะเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่วิปั ส, สนาวิปั ส, สนาต้องตายลักต้องพิจารณาตายรับพิจารณานิจับทุกข์ อ, ขอนัตตาจากคุณรังสีครับการเดินจงกรมกำหนดเท้าขวาว่าพุทเท้าซ้ายว่าโทได้ไหมครับได้ ที่กอมนอบว่าซ้ายขวาซ้ายขวาอะไะเหมือนกันเป้าหมายก็เกิดมาให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้ให้อยู่กับกัอยู่กับดูการดูเท้าคุณมาริ ร, รัตน์ครับอายุใกล้เจ็ดสิบแล้วเจ้าค่ะจําความได้ไม่เคยอยากทําให้สิ่งที่มีชีวิตต้องตายพยายามทําบุญแต่เพิ่งเริ่มปฏิบัติมาสี่ปีเจ้าค่ะอายุมากแล้วไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะได้อะไรขอมีความสุขกับปัจจุบันเจ้าข่า น, นั่นเองก็เป็นเป้าหมายของเราคือให้มีความสุขในปัจจุบันแล้วก็ต้อมีสติให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเวลาจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ในปัจจุบันเวลาจิตไม่สุขเวลาจิตกับความทุกข์รับกาต้องใช้สติปัญญากําจัดมันให้ได้เราก็จะมีความสุขในปัจจุบันคุณปองครับเมื่อเรารู้ว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์แล้วทาให้เราเบื่อโลกและเริ่มวางอุเบกขากับชีวิต ปล่อยวางกิเลส ต, ต่างๆได้อยู่กินอย่างสมถะตัวไม่ออกบวชสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่ครับได้ถ้าเราละกลิเลสทั้งต่างๆให้หมดสิ้นไปได้แล้วเราก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้คุณโชกเกอร์ครับผมได้งานใหม่แล้วแต่เจ้านายที่ปัจจุบันยังอยากให้อยู่ต่อเราควรปฏิเสธเจ้านายที่ปัจจุบันอย่างไรครับให้จากกันด้วยดีครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนักไปพูดค่ะแล้ว วันนี้เราก็ไม่อยากพูดยังไงอยากให้เราตอบทุกอย่างากงางไัไม่ไหวคุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องการฝึกดูใจดูความคิดปฏิบัติแบบไม่ปฏิบตัติการนั่งสมาธิรักษาศีลจะช่วยเพิ่มกำลังในการดูใจความคิดหรือว่าพอเรานั่งสมาธิเกิดความสงบบ่อยๆเราก็จะมีสติมากขึ้นคะคือเป้าหมายการดูใจดูกับที่นี้ครับเพื่อ เพือทำให้ใจเราอายังไงคือมันมันมีสองอย่างด้วยกันถ้าดูความคิดเราก็ต้องดูว่ามันคิดไปในทางทํามหคิดไปในทางกิเลสถ้ามันคิดไปในทางี่เลสเราก็ต้องระ ง, งับมันให้ได้เพราะว่ามันกําลังจุดไฟเผาเราจุดจุดไฟเผาใจเราอถ้าคิดไปทางความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่ดูไปครับเราก็จะอยู่ไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติอันนี้ก็คือดูความคิด ส่วนการดูใจคือดูอารมณ์นี้ถ้าเราอยู่ในขางนวิปัสสนาแล้วก็ดูว่าอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นตายละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปด้วยตามเหตุตามปัจจัยเราไม่สามารถไปควบคุมคมันขั้นมาได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็มองสองสองสอ ง, สองแนวทางถ้าดูความคิดก็ดูว่ามันคิดไปในทางกิเลสและคิดไปในทา ง, ทาง กา่ไปในทางที่เล็กก็ต้องระนับมันถ้าไม่มีสติไม่มีกำลังพอก็จะระนับมันไม่ได้จนเรื่องของอารมณ์เราก็ต้องพิจรจากันเป็นตายนะ ค, ครับคุณแอมมี่ครับหนูบริกา ร, รพุทโธติดแนบกับลมหายใจเกือบตลอดทั้งวันทำต่อเนื่องมาตลอดรู้สึกใจสงบและมีสติแต่หลงัลงๆมาอยู่ดีๆบริกา ร, รพุทโธแล้วรู้สึกหายใจไม่อิ่มรู้สึกแน่น ตอนนี้เลยเลิกบริการมพุทโธอาการแน่นหายใจอิ่มหายไปแต่จิตฟุ้งมากค่ะไม่ทราบว่าหนูควรจะกลับไปฝึกบริการพุทโธต่อไหมคะหรือใช้กรรมมาตรฐานอันไหนดีในการฝึกใจให้สงบและมีสติค่ะ่มก็เมื่อก่อนจะทํำได้ได้ผลดีแล้วอยู่ดีๆทําอะไรไม่ได้ผลดีก็ลองทําต่อไปดูแต่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเมื่อเมื่อคราวที่ต้นต้นนอนหนูบริการมพุทโธ ติดแ่กับเลมหายใจเกิดตลอดทั้งวันทนนําต่อไดนมาตลอดรู้สึกใจสงบแลว้วไม่เิตีก็ทำอย่างนี้ต่อไปสิมันไม่น่าจะทําให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะแล้วก็เรามาสังเกตดีว่าคราวนี้เราทํำยังไงที่มันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วยังกลับไปทําแบบคราวที่แล้วคราวที่ได้ผลดี คุณมีครับเราสามารถทําสมาธิถึงขั้นชาญในท่ายืนได้ไหมครัะหรือต้องเป็นท่านั่งเท่านั้นครับใ น, ในท่ายืนนี่มันจะได้ก็ต้องมีเหตุการณ์พี่มันก็เท่าปัจจัยอย่างรุนแรงเช่นเรื่องของหลวงปู่ชอบหรือท่านชอบเดินจงกรตมตอนยากข่้นขึ้นท่านจะเดินเดินจงกรมแล้วถือถือตะเกียงที่ทำด้วยโป้ทาด้วยเทียนกับผ้าโปะ เพรานี้าเป็นผ้าทัานมาเดินแล้วก็ท่านก็นเดินไปในป่าเนี้ยไม่ใช่ทางเากกลยจ้ะกูเดินเพื่อที่จะไปไปพิสูจน์ความกล้าความกลัวของท่านาจังหวะหนึ่งท่านก็ไปประชิญกับเสือโคร่งไงจ้าเอ๋แต่ท่านเดินได้ด้วยความมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราจิตเห็นเสือโคร่งปั๊บจิตนั้นก็พุ่ดเข้าข้างในเลยสติหนึ่งเข้าข้างในจิตตัวเป็น ไปหยาบปัญญาสมาธิเลยตอนนั้นร่างกายหายไปจากความรับรู้เสือกกล้องหายไปจากความรับรู้มารู้สึกตัวอีกทีเวลาจิตทอนออยากสมาธิแล้วไอไอเทียนที่จุดไว้ในป๊อไฟนี้ในตะเกียง น, นี้มันดับไปหมดแล้วมันไหม้หมดแล้วไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ท่านนานเข้าเลยอันนี้เป็นต้องการป็นกรณีที่พิเศษไม่เหตุที่จะกระตุ้นกระแทกให้จิตมัน ต้องหลบเข้าข้างในถ้าบปกติมันจะไม่ค่อยกระอยากเข้าข้างในอะไรดิเรกควายต้านไว้แต่ถ้ามันเจอของที่มันน่ากลัวสุดๆนี่บางทีมันก็มันก็มีสองทางเนืองถ้าไม่สติแตกก็ถ้าสติถ้าแตกก็วิ่งเลยก็โกลเลยถ้ามีสติดีมันก็วิ่งไม่ได้มันก็เข้าข้างในก็มีสองวิธีท่านชอบทําอย่างนี้ก็จะปกติถ้าถ้ามันอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วมันจะไม่ค่อย อยากจะหลบไม่อยากจะเข้าข้างในแต่พอไปเจอภัยขึ้นมานี่มันโดยสาชาติตยานของจิตมันก็จะหลบทันทีพระอาจารย์ครับหลวงปู่ชอบกับหลวงตาในใครภนษาแก่กว่ากันนะครับหลวงปู่ชอบน่าจะน่าจะมากกว่านะ<อ>แต่ในฐตนาผู้ใหญ่กว่าครับคุณนัฐมนครับ กาพพอาจารย์ขอเล่นถามค่ะเวลาฟังธ ร, รรมะจากพระอาจารย์แล้วมีความสุขและรู้สึกมีสติแต่เวลานั่งสมาธิใจไม่สงบเหมือนตอนฟังธรรมะจากพระอาจารย์เลยค่ะต้องฝึกยังไงคะก็เพราะว่าตอนที่เรานั่งสมาธิมันไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้ดุดดึงดูดใจเรานั่นเองใจเราก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตั้งใจฟังสติมันก็เลยไม่ค่อยมีก็ความก็ถ้าเรายัง นั่งสมาธิเองไม่ได้ก็าอาศัยการฟังธรรมใน่อนเริ่มต้นก็เปิดฟังเพศงธรรมะไปสักระยะหนึ่งพอใจเริ่มมีคาวามสุขมีคาวมมามสงบน้องหยุดฟังแล้วเรามาดูลมหายใจต่อบางทีอตอน ต, นต้นต้องอ า, าศัยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อกลอมใจให้เข้าสู่ในคาวามสงบในระดับหนึ่งก่อนพอจู่ใจอยู่ในคาวามสงบระดับที่เราสามารถที่จะประคองได้ด้วยการดูลอเราก็มาดูลมต่อ แต่ถ้าเวลาเริ่มต้นแต่ถ้ามานั่งดูลงอะไรนี่มันอาจจะนั่งไม่ได้เพราะใจเรายังฟุ้งอยู่ใจเรายังคิดเรื่องโน้นเรื่องนีนน้แต่เวลาเราฟังธรรมนี่เราจะยหยุดคิดเรื่อง ต, ต่างๆได้เมื่อเราจะมาสนใจกับเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่คุณปิยวัตรครับกระผมเคยสงบเห็นแสงสว่างไม่มีอะไรโล่งไปหมดครับเรียนถามถึงความสงบต้องเกิดความสว่างทุกครั้งไหมครับ ไม่จำเป็นนะครามสว่างนี้บางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดแต่สิ่งที่เกิดทุกครั้งก็คือความสงบความนิ่งความเย็นความสบายของใจความสุขของใจความอิ่มของใจคุณคาิษฐาครับทำอย่างไรให้ใจเราไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบจิตใจเราในการใช้ชีวิตประจำวันได้คะต้องใช้หลักธรรมข้อไหนดีคะก็ะต้องมอีเบขานี่ยนะ เราฝึกสติให้มากมากกพุโทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดปุ่มแต่งทำใจให้นิ่งให้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดียิ่งนิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะไม่หวั่ยไหกับสิ่งที่มากระทบถ้าใจไม่นิ่งมันก็จะหวัว่นไหวมันจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบทันทีก็ลองฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิให้หน่อยๆแล้วเราก็จะมีอุเบกขาที่จะทําให้ใจเรานี้ ไม่หวั่นไหวทำใช่ใจเราสักแต่ว่ารู้ไปไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้คุณจตุรงค์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้ากระผมเกิดความอยากทางกามอารมณ์มีวิธีวางอย่างไรครับก็ถ้าเราเกิดมีความอยากจะร่วมเพศเนี่ยเราก็ต้องดูดูส่วนที่ไม่สวยงามของผู้ที่เราจะร่วมเพศด้วยเช่นดูอวัยวะภายในน่าใจของเขา ดูของที่เป็นปฏิทูลที่มีอยู่ในร่างกายของเขาเช่น ม, มสสีมีอะไรปัสสาวะมีอุจจาระในร่างกายของเขาอะไรย่างเงี้ยการทำลองเนี่ยมองส่วนที่ไม่สวยงามดูกระเพาะลําไส้ของเขาดูปอดดูตับดูไตดูโครงกระดูกของเขาถ้าเราเห็นรูปภาพแบบนี้นะความความอยากจะเสกทานการมาลมงน่าหมดไปในคนที่อยากจะเสกการาลองนี้บางทีต้องอาบน้ําให้สะอาดก่อน ใส่น้าขอมน้าหอมก่อนมันจะได้เป็นตัวที่เป็นต้นการบำรุงแต่ถ้าได้กิ่นเหม็นบางทีมันมีอารมณ์มันก็อาจจะหมดไปทันทีเลยครับคุณวิไลครับอาการที่กึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเห็นคนที่ล่วงรับไปแล้วเดินอยู่ในบ้านเป็นเพราะคิดถึงมากเป็นความฝันหรือเป็นของจริงคะขอความแมตตาด้วยคะ่ะก็มันก็เป็นความคิดเท่านั้นความฝันก็มันจากความคิดของเราความคิดของเราก็บางทีก็เกิดจากความ คิดถึงการอะไรแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นมากเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นความคิดนะั้นความฝันก็เป็นความคิดความคิดก็เป็นก็เป็นความคิดนั้นก็เหมือนกันคุณนันทการครับพระอาจารย์เทศสอนตรงใจมากเลยเจ้าค่ะหลังกเกษียณก็ตั้งใจบวชชีแบบโกนหัวต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างคะจากเกษียณปีสองห้าหกเจ็ดครับกพยายามปฏิบัติให้มากเท่าที่ทำเท่าที่จะมากไนดะ้จะรักสติให้มาก แล้วก็คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของชีวิตคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่รื่เลยนั้นก็พยายามที่จะทาข้อสอบหลังนี้ให้ได้คุณกรณกรมลครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิกาหนดพุทโธตลอดจนเกิดสงบพุทโธหายไปแต่ก็ได้ไม่นานครับเพราะพุทเพราะสติเรามีกำลังน้อย ก็เรามาพยายามฝึกพูดโทรให้มากก่อนที่เรามานำคุณพัตระครับกลับเรียนถามพระอาจารย์การที่ถือว่าสภาวะธรรมที่เป็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นการมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่หรือถือว่าเป็นเห็นสัจธรรมครับและต้องปล่อยวางความคิดเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมครับมันเป็นการเห็นความจริงไงมันไม่ใช่เราศึกษาเพื่อเห็นความจริงเราไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นแง่ร้ายหรือไม่ร้าย ถ้ามันเป็นความจริงเราต้องมองเห็นไห้ได้แล้วยอ ม, มรับความเป็นจริงให้ได้เพราะถ้าเรายอมรับความเป็นจริงน้่เราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราปฏิเสธความจริงเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แทนพอมันไม่เป็นดังที่เราอยากมันก็เลยทำให้เราทุกข์เราต้องควาคิดที่เราเห็นตามความเป็นจริงนี้ไม่ต้องปล่อยวางให้คิดอยู่เรื่อยๆให้คิดว่าทั้งอั้งขาทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์อันนี้ให้คิดอยู่เรื่อยๆเพราะอันนี้แหละมันจะทําให้เราปล่อยวางได้ จะทําให้เราไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้อะไรมันก็จะทาให้เราไม่ทุกข์ที่เรายังทุกข์กัอยู่ว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่คุณเชยานนท์ครับขณะนั่งสมาธิเกิดเจ็บขาขึ้นมาจิตไปจับที่ความเจ็บทนจนไม่ไหวก็ออกจากสมาธิทุกครั้งขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับทําอย่างไรถึงจะชนะแพ้ทุกครั้งทุกวันครับก็อย่าให้มันไปที่ความเจ็บให้มันอยู่กับพุโทโธไบ อกาการเจ็บแล้วจิตมันจะไปเกาะที่ความเจ็บก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บคุณแต้มสีครับลิชันเบือนนายชีวิตทางโลกตั้งแต่อายุน้อยประกอบอาชีพทางการงานได้แต่งานที่ตัวเองไม่ค่อยชอบแต่ต้องอดทนทำทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นพอจะบวชก็กลัวความไม่มีเพราะตอนเด็กครอบครัวยากจนอยากให้ท่านอาจารย์แนะนาว่าควรทาจิตอย่างไรให้ตัดใจจากทางโลกครับ ก็พยายามฝึกปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ให้ใจของเรามีกำลังมากขึ้นให้มีคันติให้มีอุเบกขามากขึ้นแล้วต่อไปเราก็สามารถไปบวนได้ว่าเมื่อเรามีสติมีความอดทนมีมีอะไรเราจะไม่ค่อยมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปูกประสักับเรื่องของความยากจนเรืออะไร คุณนัทสิทธิ์ครับเวลาเกิดสติขึ้นชอบรู้สึกว่าตัวเองมีอัตตาพอเวลาไร้สติทุกอย่างก็เหมือนทําทุกอย่างอัตโนมัติแล้วไม่รู้สึกถึงตัวตนมีวิธีแก้อย่างไรครับมันไม่มีการทำอะไรทุกอย่างแบบอัตโนมัตินะครับการทําด้วยตัวตนการที่เรามีสติแล้วรู้สึกว่าเรามีอัตตานี่ก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองความจริงมันก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างเดียวแต่มีความรู้สึกว่าเรากําลัง รู้สึกว่าเรากำลังคิดนั้นคิดนี้ดูถังความคิดเท่นั้นเองนั่นก็ฝึกสติไปเรื่อยๆพืที่เราจะได้ควบคุมความคิดได้เวลาความคิดเราคิดไปในทางกีดกันเราก็จะได้หยุดมันได้อย่าปล่อยให้มันไปให้มันคิดไปในทางทำให้มันไปในทางปล่อยว่างให้มันไปในทางที่ไม่มีความอยากได้ อ, อยากมีอะไรอยากปไป คุณปลายฟ้าครับลมหยาบกับลมละเอียดต่างกันยังไงครับก็แรงเมื่อค่อยเวลาลมแรงก็รู้สึกจะหยาบพอแล้วมันเริ่มค่อยมันเบาลงก็มันก็ละเอียดคุณเดชมัลติเวอร์ชครับถ้าใจกับความคิดเป็นคนลอันแนละถ้าใจเผลอไหลไปคิดจึงใช้อารมณ์ติด ว่าพุโทโธพุธโทโธหรือลมหายใจซึ่งจำได้แล้วว่าไม่ใช่เราเพื่อเป็นฐานให้กลับมาสู่ใจอย่างนี้ได้ไหมครับได้ถ้ามีมีวิธีที่จดึงใจให้เรากลับมาอยู่ที่ใจให้สักแต่ว่ารูเ้เช่ใช่ก็ใช้ได้อย่าไปไล่ไปกับอารมณ์ที่ปรากดขึ้นมาคุณเทวดาครับผมอยากได้อริยทรัพย์มากกว่าทรัพย์ทางโลกต้องทํำยังไงบ้างครับก็ไปบวชเลย ก็วชสละสร้างทางโลกไปให้หมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติแล้วก็ไปบวยแล้วก็ไปสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาคุณแรนดอมครับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า Reality Shifting และ l ู c i d Dreams ในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรครับก็ความจริงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงมันประณีจังเลย มีความจริงตอนนี้ที่เราพูดอยู่ตอนนี้พอพูดไปบเสร็จมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็เลื่อนไปแล้ว e a l i t y shifting ความจริงมันเลื่อนไปเรื่อยๆมันไม่ตั้งมันไม่ตั้งอยู่มันไม่นิ่งพลิงพลังใช่ไหม reality นี่แปลว่าความฝันที่ชัดเจนก็บางทีเราฝันแล้วเราจําได้มันก็เป็นรู c i d dream ความฝันที่เราจําไม่ได้นะครับมันมันก็ไม่เป็นรู c i d dream ใช่ไหม ยังบางทีมาฝัเนเรื่องนี้พอตื่นขึ้นมายัางจำได้โอ้เมื่อกี้ฝันเรื่องนั้นเรื่ น, นี้ชัดเจนบางทีฝันแล้วบางทีตื่นขึ้นมาปั๊บลืมไปเลยก็เลยนึกไม่ออกอันนี้ก็มหมายถึงความฝันที่ชัดเจนคุณซินามอนครับอยากจะให้พระอาจารย์แนะนําสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพาะอิศร์ให้ให้หน่อยครับก็ ลราล เ, เขียนคำนี้ลงไปในใน Google ดูนะงาที่ปฏิวัติาทางทางภาคอีสานแค่ น, นี้แล้วมันก็จะมีวัดอะไรตัดปรากฏขึ้นมาให้คุณไปอ่านไปศึกษาดูว่าถูกสเปคของคุณไหมเพราะมันก็เหมือนซื้อของทางลาซาดาเนี่ยาต้องการได้มอนิเตอร์สักอันหนึ่งก็ใส่เข้าไปมอนิเตอร์สิก้านิ้วแค่มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เป็นเรื่องก็คุณพัทรพรครับ ขอเรียนถามค่ะที่ทํางานได้ปรับปรุงพื้นที่ทําห้องพระอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ห้องที่นั่งทํางานชั้นสองแบบนี้ต้องย้ายห้องทํางานหรือไม่ครับซึ่งไม่ง่ายค่ะเจ้าของบริษัทไม่เห็นด้วยครับอ้าไม่เกี่ยวกันละมันเคยแต่ละสถานที่นี้มันย้ายเอามาผูกกันงนั้นก็เราบินข้ามข้ามวัดพระแก้วไม่ได้เนบินบินข้ามประเทศไม่ได้เพราะมันต้องข้ามหัวพักทะลุที่อยู่ในบวกครับเอาเอ า, เอามันเฉพาะที่มันอยู่ในสถานที่เดียวกันครับพอ ให้อยู่ในห้องเดียวกันก็นกให้เขาทรลุ ม, มันอยู่ที่มันเหมาะสมที่ที่สูงกว่าอะไรแต่ถ้าอยู่คนละใช้คนละห้องก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปปรุงแต่งให้มันมากเกินไปไม่เกี่ยวกันครับงั้นก็ทําห้องน้ําไว้ชั้นบนไม่ได้ถือก็าต้องเอาห้องน้ามันอยู่เหนศีรษะคนที่อยู่ชั้นล่างนี้สมยยัยก่อนก็ถือห้องน้ำต้องอยู่ที่ต่ํางห้องอยู่นอกบ้านเลยซ้ํำไป แตาทไมนี่เขามีวิธีทําให้มันวิชิตทําให้มันไ ม, ม, ม่รู้สึกว่ามีห้องน้ําอยู่เนี่ยก็ทําได้เรื่องของความเหมาะสมเล่านี้ครับคุณนลิมณครับเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามีแสงสว่างจ้าเรื่องเหมือนจะวูบลงไปทําให้ตกใจเลยลืมตาทันทีผ่านมาแล้วสี่สบกว่าปีทุกวันนี้นั่งสมาธิทุกวันแต่ใจไม่นิ่งเลยคะ่ะควรต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะก็อย่าไปนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้ว อย่าไปนึกถึงผลที่เราเกิดได้เวลาที่เรานั่งสมาธิในปัจจุบันให้อยู่กับพุโทโธไปหรือให้อยู่กับลหมหายใจไปหรือถ้าเราจำได้ว่าวิธีที่เรานั่งสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรก็เรามาวิธีนั้นมานั่งต่อดูก็ได้แต่อย่าไปอยากให้ให้เกิดผลเวลาที่เรานั่งให้อยู่กับงานที่เรากาลังทำอยู่เพียง อ, อย่างเดียวดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปจนผลจะเกิดนานเมื่อไหร่ช้าหรือเรนี้เราไปกําหนดไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสติของเราว่ามันต่อเนื่องหรือไม่คุณ j จอครับขอสอบถามค่ะว่าตอนที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมทำสมาธิรู้สึกสงบสุขใจผ่อนคลายชอบมากค่ะแต่เมื่อกลับบ้านมาทำงานก็กลับมาเหมือนเดิมคือรู้สึกไม่มีความสุขเครียดคิดถึงช่วงเวลาสงบเหล่านั้นควรจัดการอย่างไรดีคะก็เราควรจะกลับมาปฏิบัติต่ตอซเมื่อเราอยู่ที่เขา้าคอสทอยังไงเรากลับมาบ้านล้วก็ทาต่อ ในเวลาที่เรามีเวลาว่างเขาค้อนนี้เขาก็สอนให้เราจเจริญสติทั้งวันไม่ยากเลยแล้ว่าเขามาทำต่อถ้าเราทำต่อมันก็ได้ผลเหมือนเดิมที่มันไม่ได้ผลเพราะเราไม่ทำต่อมันอยุดทำก็เหมือนกับการรับประทานอาหารเนี่ยเวลาเราออกไปนอกบ้านเรานั่งรับประทานอาหารมันก็อร่อยอร่อยพอกลับมาบ้านเราไม่รับประทานอาหารเพราะเราเบืออาหารที่เรามีอยู่ที่บ้านมันก็เหิวอะไรมันก็ไม่อีกมันอยู่ที่การกระทำของเรา เราก็ทําแบบไหนที่ให้เรามีความสงบสุขผ่อนใจล้วกลับมาแล้วก็ต้องต่อ น, นั่นเองคุณสาเห็น <c oughs> เหตุผลแน่ไปเข้าคอร์สก็เพื่อที่จะได้ไปไปกระตุ้นให้มีมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเนยเพระเราได้การปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องกลับมาปฏิบัติต่อไม่ใช่หวังว่ามันจะมันจะไม่ต้องปฏิบัติมันจะได้ผลอย่างอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยที่ไม่ต้องปฏิบัตินี่นไม่ใช่เพราะเราหยุดปฏิบัติผลที่ได้จากการปฏิบัติมันก็หมดไป พยายามจะได้ผลจากการปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อท่านเองคุณเทวดาครับป้าจารย์ครับการให้อาภัยนี้ต้องอาภัยให้ตนเองก่อนใช่ไหมครับไม่ต้องให้อาภัยตอนเราเราไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่คนอื่นที่เราไปอาฆาตพยาบาทก็ไม่ต้องให้อาภัยตัวเราเองไม่เกี่ยวให้อาภัยคนที่เขาเรากดแค้งกดเคือข่าแล้วเอง เราไม่กดธให้โกดธคืองตวัวเราต้องไปให้อาภัยเราทำหมนอกจากถ้าเราคิดจะฆ่าตัว ต, วตายเนี่เราต้องให้อาภัยแล้วอย่าไปฆ่ามันนะยกโทษให้มันแต่ถ้าเราไม่กดเกลียดตัวเราเองเราไม่ต้องไปให้อาภัยตัวเราเอีกคุณแพตครับทําอย่างไรจะลดความกลัวได้คะจะใช้สติช่วยได้อย่างไรคะ ใชสติตมันก็จะหยุดไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมานั่นก็เป็นการยุติเป็นเป็นครัง้งเป็นคราวเป็นไม่ได้เป็นแบบถาวรถ้าอยากจะลดความกลัวอยา่างถาวรก็ต้องอยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเช่นเรากลัวตายเราก็ต้องรู้ว่าความตายนี่เราหนีไม่พ้นถ้าเราอยอมรับได้ว่าเราต้องตายแล้วความกลัวตายก็ได้ไป ถ้าเรากลัวความเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีเรื่อไม่ได้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่กลัวถ้าเรากลัวคนจะจากเราไปคนจะทิ้งเราไปแเราก็ต้อพิจารณาว่าเขาก็เป็นขอองที่ก็็เปนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องยอมรับวว่ามันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดไปเราก็จะไม่กลัวการกลัวอยู่ที่ความอยากเราอยากให้สิ่งที่เรา เราเรากลัวนี้ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณออยครับเมื่อรู้สึกโกรธรู้ว่าโกรธแต่ความโกรธก็ยังอยู่แผ่เมตตาความโกรธหายไปแต่ก็กลับมาโกรธอีกควรทาอย่างไรดีครับก็ต้องไปแก้ต้นเหตุของความโกรธนะต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเราอยากให้เขายืมเงินกับเราพอเราไปยืมเงินเขาแล้วเขามาให้ยืมเราก็โกรธเขา วิธีปาหาโกรธก็คืออย่าไปอยากยืมเงินจากเขาเพราะรู้ว่ายัางไงเขาก็ไม่ให้เราอย่างดีถ้าเราไม่อยากได้ยืมบงนจากเขาก็ไม่ยืมเงอนเราก็ไม่โกรธเขานี่ต้องแก้ความโกรธที่ความอยาก ค, คุณเทวดาครับพระอาจารย์ครับผมเดินปัญญาแบบนี้ถูกไหมครับคิดรูปแก้รูปคิดนามแก้นามเป็นเพียงธาตุสี่แล้วตามด้วยไตรลักษณ์ไหมครับ ก็เราคิดว่ารูปคือรอ่างกายนี้เป็นดินน้ําลมไฟทํามาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟไม่มีตัวตนเดี๋ยวไมันก็จะกลับคือสู่ดินน้ําลมไฟไปแป็นตายรักเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นหน้าตาเพรามันไม่มีตัวตนมันเป็นดินดน้ําลมไฟก็เราพิจารณ์กจะดาราเรไม่ใช่ต่ยคิดว่าชื่ออย่างเดียวว่ามันเป็นตายรักคาว่าชื่ออย่างเดียวมันไม่มันยังไม่กระจายถูกใจมันต้องเห็นว่าตายรักนี่คืออะไร ความไม่เที่ยงเป็นยังไงถึงเรียกว่าไม่เที่ยงควาไม่มีตัวตนเป็นยังไงถึงเรียกว่าไม่มีตัวตนความทุกข์มันเกิดจากอะไรเนี่ยมันต้องเห็นมันถึงจะมันถึงจะแก้ได้แก้ความทุกข์ได้แต่ถ้าคิดแบบคิดจะชื่อมันแบบนี้คิดลูกแก่ลูกคิดหนางแก่หนางแบบนะี้ตด้สิได้เราเป็นตายละอันนี้มันเราคิดเราไม่พอนะ่ย คุณเอสพีครับเวลาภาวนาพุโทโธนึกพุโทโธได้หลายแบบถ้าพุโทโธแบบวางตำแหน่งให้พุโทโธด้วยภาวนาแบบนี้ได้ไหมครับเท่าที่เราก็ใจนั้นก็ให้อยู่คําบริกรรมพุโทโธไปท่านเองเป็นคำคำคิดคิดอยู่พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปคุณเทวดาบอกว่าถ้าราคาขึ้นต้องเอาอสุภะแก้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วต้องทําต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนยาอาสุภาที่เหมือนยาถ้าเรารู้ว่าเราจะท้องเสียนี่เราต้องเตรียมยาแก้ท้องเสียไว้ก่อนไม่ใช่เวลาท้องเสียแล้วค่อยวิ่งไปหายามันจะมันจะสายเกินไปแก้ไม่ทันยังเราต้องเตรียมยาไว้ก่อนแล้วต้องมาพิจารณาสุภายู่เรื่อยๆก่อนเอาเวลาเกิดกามรมาลาคัดขึ้นมาเราก็จะได้เอาอาสุภาษิตมาใช้ได้ทันที คุณมารีรัตครับเวลานั่งสมาธิรู้สึกเหมือนคนเป็นความดันเวลาก้มหัวแต่พอไอออกมาก็หายไปเกิดจากอะไรเจ้าคะเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วเจ้าคะ่ะเวลานั่งสมาธินี่อิลนมันต่อต้านใจมันก็จะสร้างการแต่ละอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะถามันเป็นเ ก, เ, กเกิดเฉพาะเวลาที่เราทําสมาธิก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการอดึลงลมหายใจไป พอสติเรามีกำลังมากขึ้นใจนั่งเข้าสู่การสงบได้มากขึ้นอาการต่างๆมันจะค่อยๆหายไปไม่ต้องไปทำไํำมันเกิดจากการต่อต้านของใจนีข่ของกิเลสต่อการที่บรรทุกบังคับไม่ให้ไปทำอะไรไม่ให้ไปคิดอะไรคุณแครอทครับการทําให้มีสมาธิควรเริ่มจากอะไรดีคะรู้สึกว่าเราไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรได้นานๆเลยคะ่ะใจมันจะสายอยู่บ่อยๆและเครียดมากคะ่ะ ก็มันจะนัสติอยู่เรื่อยๆมันฝึกสติทั้งวันตั้งแต่เป็นขึ้นมาก็ให้จดจ่ออยู่กับร่างกายก็ได้อยู่ว่าร่างกายกมันทําอะไรอยู่หรือให้บริกรรมวุทโธวุทโธไปเรื่อยๆทํำบ่อยๆทามากๆต่อไปมันก็จะมีสติที่จะจดจ่ออยู่กับอะไรได้นานๆคุณเล็กครับ ถ้าคุณพ่อป่วยระยะสุดท้ายทางครอบครัวตัดสินใจจะไม่กู้สัญญาณชีพหรือปั๊มหัวใจและทางคุณหมอที่รักษาแนะนําจะให้มอร์ฟีนเพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายเพื่อให้ค่อยๆหมดลมเสียชีวิตไปเองการให้มอร์ฟีนถือเป็นการการุณยฆ า, าตไหมครับคือถ้าทําให้ตายมันก็เป็นการุณยฆ า, าตแต่ถ้าทําทําให้ไม่ทำให้นอนหลับไปนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆามันเป็นการให้ยานอนหลับ ก็จะว่าให้เกินขนาดแล้วทําให้ตายได้นก็แล้วแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นเหมือนกับมันเหมือนกับเส้นเส้นเส้นเส้นที่เส้นได้เล็กๆที่มันแล้วแต่ที่เราจะมองว่ามันเป็นการฆ่าหรือเป็นการไม่ฆ่าถ้ามีเจตนาตั้งใจกินแล้วให้มันหลับตายไปนี่มันก็เป็นการฆ่าอยู่ดีทีนั้นเราจะเรียกว่าให้ยานอนหลับให้ยาแก้ปวดเพราะว่าเป็นหมอก็ต้องรู้ในขนาดของยา ให้ไปเราจะทําให้ตายหรือไม่ตาย <Okay. S 1> าให้ขนาดให้แล้วตายก็สแสดงว่ามีเจอตอนานต้องการให้ตายอันนี้ก็เป็นการฆ่าแต่ถ้าให้เพื่อระ ง, งับความความเจ็บปวดการไม่ให้ตายอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่ากับเรียนพระจารย์ครับโดยส่วนใหญ่หมอจะให้เพื่อระ ง, งับเจ็บปวดแค่นั้นเองครับใบไม่ให้ถึงกับตาย ถ้าตายนี้ก็ถือว่าผิดผิดจรรยาบรรณแล้วทำให้คนใกล้ตายใช่ครับคุณเทวดาครับทุกกายนี้คือต้องผ่านเจียนตายใช่ไหมครับก็นั่นแหละต้องต้องเจอความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ในป่วยถึงขั้นเกือบจะตายเนี่ยหรือไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้เกิดความตายขึ้นมาเช่นนั่งไปเครื่องบินจะตก อ, อย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าไปเจอสัต์ อะไรสักอย่างไปเจอเสือไปเจออะไรกอตอนหน้า น, นั้นนะมันก็จะรู้ว่ามันจะมันจะตายพตอนนั้นถ้าโป่งน้ามันก็จะมันก็จะหายทุกถ้าโป่งไม่หน้ามันก็จะทุกข์ทางใจคุณแต้มสีครับเคยภาวนาพุโทโธระหว่างวันแค่วันละเล็กน้อยแล็กปฏิบัติธรรมวันละหนึ่งชั่วโมงตามคำแนะนําของหลวงตามหาบัว ปรากฏว่าจิตข้างในมันตื่นตื่นอยู่ข้างในจากนอนมาละแปดชั่วโมงเหลือห้าชั่วโมงกลางวันเหมือนจะเพลียแต่ไม่ง่วงเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะมีสติถ้ามีสติร่างกายง่วงเราเอานอนก็จะน้อยลงไปคุณสุภาพรครับลูกฝึกภาวนานั่งสมาธิรู้สึกได้ถึงความปิติสุขตามที่พระอาจารย์ได้สอนและลดความอยากมีอยากได้ทางานเท่าที่ทอมีพอใช้ แต่หัวหน้าต้องการผลงานมากทำให้รู้รู้สึกว่าเป็นคนละแนวทางกันลูกจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะถ้ายัางทำงานร่วมกันได้ก็ทำต่อไปถ้าทาร่วมกันไม่ได้ก็เปลี่ยนงานได้ก็เปลี่ยนถ้าเราอยากจะรักษาความความความอยากของเราที่มีน้อยลงให้ให้น้อยลงต่อไปเราก็อย่าไปอยู่กับคนที่มีความอยากมากพระเจ้ า, าบอกว่าให้ครอบคนที่มี ความคิดความเห็นนี่เหมือนกับเราอย่าไปคบกับคนที่เขามีความคิดความเห็นต่างกับเราเพราะมันจะขัดกันแลวจะอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณพีซครั บ, รบการอภิษฎการครับญาติสนิทที่หนูรักมัจกจะร่วมนินทานหนูหรือผสมโรงกับคนอื่นที่มานินทานหนูให้เขาฟังต่อหน้าหนูก็พูดดีแต่รับหลังทำแบบนี้หลายครั้งหนูจะทายังไงไม่ให้เสียใจครหรือคนเลิกคบเขาไปเลยครับ ก็ถ้าเราทำใจได้ก็ยอมรับว่าเขานิสัยก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ก็ท่านั้นเองเหมือนกับร้อเลกับฝนตกแดดเราได้เราก็อยู่กับเขาได้แต่ถ้าล้อรับเขาไม่ได้เราก็อยู่กับเขาไม่ได้แต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาชอบพูดดีต่อหน้าชอบด่ารับหลังว่าถือว่าเป็นนิสัยของเขาไปเปนสิ่งที่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะคบกับเขาไหม ถ้าไม่ครบก็เลืยกครบกันไปก็อย่ยหน้าไหว้หลังหลอกนะคบคุณเทวดาครับเดินทางสายกลางนี้คือต้องรู้อารมณ์และปัญญาเข้าพร้อมกันใช่ไหมครับคือคขาว่าสายกลางนี้มันมี ม, น ม, มันมีหลายหลายความหมายด้วยกันคนพูดถึงอารมณ์และปัญญานี่ก็หมายถึงการที่เราใช้ปัญญาดูอารมณ์แล้วปล่อยวางใช้ปัญญาคือดูอารมณ์ว่าเป็นตายลักแล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปยุ่งกับอารมณ์อารมณ์จะดีเราจะเสียก็ media media media. ร little, ู้ว่าเมตตาอันรักเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปห้ามมันไม่ได้จัดการมันไม่ได้ถ้าเราไปอคอยจัดการมันพอมันอารมณ์ไม่ดีก็พยายามทําให้มันดีเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีมันก็กลับมาอีกเราก็จะคอยจัดการกับมันอยู่เรื่อยๆมันก็จะเหนื่อยเรามากช่วอยู่เฉยๆดีกว่าปล่อยให้มันมาตามเรื่องมันอารมณ์ดีมาข็ใ้มันมาอารมณ์ไม่ดีมาข็ใ้มันมาเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่ให้มันมาเราก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ห้ามไม่ได้ พิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นไตายรับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้ครับคุณพีชครับเวลาพูดโทหยุดคิดได้แต่พอไม่พูดโธก็คิดอีกแล้วครับก็พูดโทตอนน่อพอมันคิดแล้วก็ตอพูดโทบางครนะั้งมันจะไม่คิดแล้วก็หยุดพูดโธเหมือนรถอะรถมันไหลแล้วก็ต้องเหยียบเบรกไวใช่ไหมพอเราปล่อยไปถ้ามันยังไหลอ ย, อยู่เราก็ต้องเหยียบเบรค้างครงมันจะไปถึงจุดที่มันไม่ไหลแล้วเราก็าปล่อยเปรคได้ คุณสิริการครับดิฉันไปบทชีเนธธรรมะหลังศึกษา ม, มาระหว่างทานอาหารจิตไม่ได้นึกทิศอะไรตาก็มองทีวีแต่หูได้ยินเสียงตัวเองว่านี่มันซากศพนี่ว่าแบบนี้จิตปรุงแต่งเองใช่ไหมคะก็เป็นความปรุงแต่งที่ถูกตามหลักความเป็นจริงก็ไม่เสียหายตรงไหนร่างกายเราก็เป็นซากศพเดินได้ดีนี่แต่ยังมีลมหายใจอยู่ท่าน คุณขวัญวันนาครับเวลานั่งสมาธิตัวเองไปมาควรปล่อยไปเรื่อยๆหรือบังคับให้หยุดคะถ้ามีสติมันไม่เองนแสดงว่าเรานั่งแบบไม่มีสติไงเวลานั่งต้องมีสติให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจนั่นมันก็จะไม่มันก็จะไม่เองไปงถ้าเองมันกแสดงว่าเราเราิ่มไม่มีสติ คุณวีนาครับเวลาคนอื่นอารมณ์เสียใส่เราเราจะทำอย่างไรในขณะนั้นคนที่อารมณ์เสียไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยขาดและเราก็ไม่ได้ทำครับก็เหมือนกับว่าเราไปไปเจอเหตุการณ์ที่เราควบคุมมันคับไม่ได้เช่นเดินไปกลางถนนฝนตกมาทันทีทันใดเราก็นั่งอยู่กมันไปการร่วมได้กบการร่มไปตกเข้าที่น้มได้ก็หลไปก็เหมือนกับเวลาเจอคนอารมณ์เสียใส่เรา เราหลบเข้าได้เราก็หลบไปหิีกได้ก็หลีกไปแต่เรายังไปตอบโต้ก็อย่าไปยุ่งเราปล่อยเขาให้ทาอะไรไปทาเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเหมือนดินป่าก่ะที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีอยู่กับเขาไปนนี้โด ย, ยที่เราไม่ไม่เกิดความเสียหายกับเราคุณสมบูรณ์ครับผมรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดทุกเวลาต้องมันจะเกิดอะไรต่อไปครับอาจารย์ครับ ก็ดูไปเรื่อยๆถ้าต้องนั่งถ้าดูอมอายใจนี่ต้องดูต่อที่เวลานั่งถ้านั่งเฉยๆแล้วดูไปเรื่อยๆเหนืวใจก็จะวุบเข้าไปข้างในได้อาจจะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ได้ถ้าไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแต่ถา ด, าดูลงไปด้วยแล้วคิดไปด้วยก็ไม่มีทางที่จะสงบได้ต้องดูแล้วไม่คิดด้วยคุณกดจั๊กพัดครับ ฟังทำจนรู้สึกขาดไม่ได้อยากฟังทุกวันทุกเวลาและปฏิบัติตามในช่วงเวลาที่ทำได้จนเพื่อนและที่บ้านเรียกแม่ชีแต่หนูจะตั้งใจและเพียรพยายามให้ถึงที่สุดค่ะเพราะรู้ว่าหนูเป็นคนที่โชคดีที่สุดค่ะถูกต้องแล้วการยินดีในธรรมนี่เป็นชนะการยินดีทั้งปวงเพราะการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง น, นี่คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณสุรินทร์ครับการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกกลาวคำสักการพระอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยครับไม่เข้าใจการที่การเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกมมหมายความว่าไงคุณหออธิบายหน่อยน่าจะน่าจะพราะเกิดเกิดมาแล้วก็เหมือนกับมีเครื่องผูกอะไรเหล่านี้ป่าครับมีลูกมีครอบครัวอย่างนี้หรือไม่ครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องของของขอ ง, ของกิเลสทันหะ ถ้าเกิดมาแล้วได้ของต่างๆมาก็มันก็ได้มาจากกิเลสตันหาของเรานี่เอแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปผูกตัวเราไว้กับอะไรคืออยู่อยู่อยู่ตามลำพังอยู่แบบพระนี่การทำไม่มีเครื่องผูกก็ต้องอยู่แบบพระถ้าอยู่แบบคารวะก็มีเครื่องผูกก็มีเครื่องผูกมก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยู่ตามลำพัง อาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังทำด้วยการอยูนใน f a c e b o o ห6 4้อยสี่สิบแปดคนใน y o u t u เจ็ด7้อยห้าสิบเจ็ดคนในครับ h o u ยี่สิบคนนะครับรวมกันหนึ่งพันสี่้อยี่สิบห้าคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำด้วยกันมาว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยําไทำไป็นปฏิบัติเพื่อให้เก่อผลยิ่งยิ่ขึ้นไปต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุดเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอะสาธุ่อขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่นี้ถ้าวการหน้าอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีรายการกล้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคย วั<ท><ม>จ์กลบขอบพระคุณพระาจารครับ